ทางด้านกําลังกายและกําลังใจเนื่องจากพักผ่อนกันได้เต็มที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเวลาอาหารเช้าและระหว่างการเตรียมเก็บข้าวของกันอย่างเร่งด่วนของฝ่ายพวกลูกหากดารินมีโอกาสได้พบกับซอการเล่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับโบเมียแล ะ, กะเกลียั้นสําคัญของทั้งสองหมู่บ้านซึ่งเข้ามาเยี่ยมพบปอีกครั้งหล่อนสกิดน้ำอินให้เดินตรงเข้าไปพบกับพวกนั้น ก่อนที่จะเดินเข้ามาถึงกลุ่มของพี่ชายเพื่อใช้นานอินเป็นล่ามในกรณีที่ตนเองอาจพูดกับซอกาเล่ไม่กระจ่างชันนะแล้วก็ตรงไปสกัดหน้านายบ้านห้วยเสรองไว้ทุกคนของพวกนั้นยิ้มรับหลอนพร้อมทักทายซอกาเล่อีกไม่นานพวกเราก็จะจากพวกเจ้าเข้าไปในป่าดำแล้วหลอนพูดน้ําเสียงอ่อนโยนฉันอยากจะคุยกับเจ้าโดยเฉพาะสักหน่อยได้ไหมหนายหญิงจะคุยอะไร นายบ้านห้วยเสืร้องถามเบาๆบอกพวกนี้ให้เข้าไปพบกับพวกของฉันก่อนก็แล้วกันและซอการเล่อยู่ที่นี่ก่อนดารินสั่งเรียบๆนายบ้านห้วยเสร้องพยักหน้าให้พักพวกที่เดินรวมกลุ่มมาด้วยกันล่วงหน้าไปพบกับพวกเจ้านายที่มาจากกรุงเทพก่อนตนเองยังคงยืนหน้าตื่นอยู่ตรงนั้นพอพวกนั้นเดินปลาห่างออกไปราชสกุลสาวก็เดินเข้ามาตบแขนนายบ้านวัยค่อนข้างสูงอายุ เมื่อหลายปีมาแล้วหล่อนพยายามใช้ภาษาเกเรี่ยงโดยให้ล่ามขึ้นนานอินช่วยน้อยที่สุดและก็ประหลาดใจตนเองเหมือนกันที่สามารถพูดภาษาชาวเขาเผ่านี้ได้คล่องเกินกว่าที่ตัวเองจะเชื่อได้คล่องกว่าวันวานเสียอีกพรานป่าได้มาวางปางพักอยู่ที่นี่นานพอควรเพราะเขาไม่สบายฟังให้ดีนะซอกาเล่พรานใหญ่อาจผ่านและมาพักอยู่ที่นี่หลายครั้งมาแล้ว แต่ที่ฉันจะพูดถึงนี่หมายถึงครั้งที่เขาได้พบกับนักเสี่ยงโชคเป็นพม่าคนหนึ่งชื่อเนวินชาวพม่านักเสี่ยงโชคคนนั้นได้เดินทางเข้าไปในนรกดําเพื่อมุ่งไปสู่เทือกพระศิวะแล้วเนวินก็สมซานกลับออกมาจากป่าดําเพียงคนเดียวในลักษณะนคนเจ็บป่วยหนักใกล้ตายและพบกับพรานใหญ่ระหว่างที่พักอยู่ห้วยเสือร้องพอดีพอจําได้ไหมตอนนั้น ซอการเล่เป็นนายบ้านอยู่ที่นี่หรือเปล่ากระเรียงดอยพยักหน้าลงซอกาเล่จาได้ดีซอกาเล่เป็นนายบ้านอยู่ที่นี่ในครั้งนั้นเนวินมาเจ็บหนักอยู่ในปางพักของพรานใหญ่พรานใหญ่พยายามช่วยเหลือเขาแต่เขาก็ตายในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าถูกต้องไหมถูกแล้วนาะยหญิงพม่าที่ชื่อเนวินมาตายอยู่ในอ้อมแขนประคอ ง, องของนายพรานใหญ่ ตอนนั้นสอกาเล่ก็มายืนดูอยู่ด้วยดีแล้วฉันอยากจะรู้ว่าในครั้งนั้นพรานใหญ่ตั้งปางพักอยู่ตรงไหนของบริเวณห้วยเสร้องนี่นายบ้านห้วยเสร้องชี้มือไปทางป่าทึบด้านเหนือของหมู่บ้านนายรพิน์ไปวางปางพักอยู่กลางดงทางด้านโน้นใกล้ๆทานน้ําไหลเป็นธรรมดาของแกที่มาถึงเขตหมู่บ้านใดแกจะไม่นอนในหมู่บ้านนอกจากจะมาเยี่ยมเท่านั้น ส่วนมากแล้วจะไปวางปางพักอยู่นอกเขตหมู่บ้านเสมอห่างจากที่นี่มากไหมเดินแค่อมยาฉุนไม่ทันจืดก็ถึงสกาเล่ตอบถ้างั้นช่วยพาฉันไปที่ตรงนั้นหน่อยได้ไหมตรงที่นายราฟินพบกับเนวินระหว่างที่เขาพักอยู่ศพเนวินคงถูกฝังอยู่แถวเดียวกันไม่ใช่หรื อ, อยังไม่มีพิธีรีตรองอะไรทั้งสิน้นสกาเล่หมุนตัวเดินนาหน้าตัดลานหมู่บ้าน ตรงเข้าทางด่านซึ่งซอกซองเข้าไปในหมู่ละม้อไม้ทันทีดารินออกตามไปติดๆนานอินจึงเดินตามไปด้วยกระซิบถามว่าน้าหญิงมีอะไรหรือจะไปทําไมที่นั่นเอาเท น, นาลุงตามมาก็แล้วกันฉันอยากจะไปเยี่ยมบริเวณที่พักของกระพีนในครั้งที่เขาพบกับเนวินและเยี่ยมดูหลุมฝังศพของเนวินด้วยมันคงไม่ไกลนักรอกตามที่ซอกาเล่บอก หลอนหันมาฉุดแขนปรานครูผู้เฒ่าซึ่งมีอาการงงงไม่รู้เรื่องให้ไปได้วยกันทั้งสามเดินรับจากสายตาของภาคขั้วที่กำลังจัดเตรียมตัวกันอยู่เข้าไปในป่าทันทีภายใต้การนำของศอกาเล่ซึ่งออกเดินดุมๆมอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเองเสียงวิทยุที่เนบเอลดารินอยู่ก็ดังเรียกขึ้นว่าน้อยอะไรกันนะจะไปไหนนั่นเป็นเสียงของเชษฐาที่ดังถามมาอย่างประหลาดใจ หล่อนปลดวิทยุขึ้นมาพูดตอบว่าไปดูอะไรใกล้ๆนี่หน่อยเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องห่วงมีซอการเล่กับลุงอินมาด้วยไม่เกิน15นาทีเท่านั้นบอกให้รู้ชัดๆว่าจะไปไหนคราวนี้เป็นเสียงกล้าวดุของอนุชาหรือพรานชดน้อยต้องการจะไปดูตำแหน่งที่ระพินเคยพักและได้พบกับเนวินเจ้าของลายแทงในอดีตฉบับที่รพินเคยใช้นาทางเราไปติดตามพี่กลางกับลุงอินคราวนั้น รโรยห่วงซอกาเล่บอกว่าไม่ไกลนักรับรองว่ากลับมาทันก่อนออกเดินทางและทุกคนไม่ต้องตามมาให้เสียเวลาจัดเตรียมข้าวของไว้ให้พร้อมเถอะน้อยนี่บ้าไม่รู้จักหายสักทีมีเสียงบ่นดังมาจากวิทยุของชายยันหล่อนไม่สนใจจะตอบใดๆอีกทั้งสิน้นและตัดความรำคาญก็ปิดสวิตช์วิทยุมือถือขนาดจิ๋วนั้นลงซะเลยป้องกันไม่ให้ใครเรียกรบกวนมาอีก ชั่วไม่นานในบ้านห้วยเสือร้องก็นำทั้งหล่อนและนานอินตัดละเมะเข้าเขตดึงดงทึบอันเต็มไปด้วยไม้ใหญ่และเถาวันยักษ์และต่อมาอีก6 7ถึงนาทีของการเดินกันไปอย่างเร่งด่วนก็มาพบกับเนินราบลงไปสู่ที่ลุ่มของลำห้วยบริเวณหนึ่งเหมือนใครจะมาถากทางไว้ให้เป็นพื้นที่โล่งๆขนาดย่อมๆข้ามลาห้วยไปฝากตรงข้าม เป็นความทึบทะมืนของราวไพรอันเต็มไปด้วยไม้ดึกดำบันแต่ละต้นย่อมๆก้อสามถึงสี่คนโอกมียอดสูงแงนคอตั้งบ่าแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงตำแหน่งหนึ่งใต้ต้นสยาใหญ่มีโคดหินขนาดย่อมๆงอกอยู่โดดเดียวเพียงก้อนเดียวลักษณะเหมือนแทน่นกะระยะว่าห่างจากเขตหมู่บ้านออกมาไม่เกิน6 7ถึงเจรอเมตร ตรงนี้แหละที่นายระพินมาวางปางพักอยู่คราวนั้นเนวินตะกายมาจากฝั่งลำห้วยข้างหน้านนซอกาเล่ชี้มือบอกดารินรีตาลงตรวจ ด, ดูบริเวณรอบๆอันเคยเป็นตำแหน่งที่มาวางแคมป์ในอดีตอันนานมาแล้วก่อนที่หล่อนจะได้พบและรู้จักเขาอาการของหล่อนเหมือนจะเพ่งผ้าที่ปรากฏขึ้นในครั้งนั้นให้มาปรากฏขึ้นตรงหน้าและย้อนรำลึกไปถึงคาบอกเล่าของเขาเอง ก่อนหน้าที่คณะของหล่อนจะออกเดินทางติดตามพี่ชายมาในครั้งนี้มันหมายถึงลายแทนที่นักเสี่ยงโชคชาวพม่าผู้เคราะร้ายได้มอบไว้ให้แก่จอมพรานด้วยตรงนี้สินะที่เขามาพักอยู่ในคราวนั้นตามคําบอกเล่าหลอนได้มาพบมันแล้วนั้นอินจุดบุรี่ใบตองแห้งของแก่สูบแล้วยืนมองดูนายหญิงเงียบๆโดยยังไม่กล่าวคําใดทั้งสิน้นและศพของเดวินฝังอยู่ที่ไหน พื้นใจใหญ่หลอนก็เอ่ยถามขึ้นโ น, น่นนายบ้านห้วยเสือร้องเอาปากยื่นไปเบื้องหน้าใกล้ๆริมฝั่งห้วยนู่นแหละโซกาเล่ยังมาช่วยแกขุดหลุมฝังด้วยเลยก่อนนี้มีไม้หลักอันโตปักไว้เหนือหลุมศพแต่มันหายไปนานแล้วสงสัยช้างป่ามันถอนออกไปแต่ซอกาเล่จำที่ได้พาเข้าไปสิหล่อนสั่งสั้น ซอการเล่เดินนําลงเดินไปในทันทีตัดลงไปยังป่าหญกขนดารินและพรานเท่าตามไปอย่างกระชันชิดตามหนทางที่ลาดต่ำกว่าระดับที่ยืนกันอยู่เล็กน้อยขนาดนั้นเองซอการเร่ผู้นําเดินอยู่เบื้องหน้าก็ชนกกึกยืนตัวแข็งทื่อลงอย่างกระทนหาและเงียบกริบนันอินผู้เดินตามหลังหล่อนก็รั้งแขนหญิงสาวไว้กดให้นิ่งอยู่กับที่ พงไม้เตีย้ยริมทางอะไรชนิดหนึ่งโผล่วูบขึ้นมาชูศีรษะร่อนแลบลิ้นอยู่แปลกๆแผ่พังพานกว้างขนาดสองฝ่ามือกลางมันคือเจ้าแห่งอสอรพิษจงอ่างขนาดลำตัวเท่านักแข้งของชายสกันห่างออกไปเพียง 5-6 เมตรเท่านั้นเสียงเดินเหยียบกอหญ้าสวบสาบของมนุษย์ที่ใกล้เข้ามาทาให้มันชูคอขึ้นดูซอกาเลดนั้นแทบช็อกไปแล้วทาอะไรไม่ถูก นอกจากยืนตาเหลือกตัวแข็งเป็นหินดารินขยับตัวอย่างแผ่วเบาอีกครั้งไรเฟินที่ถืออยู่ในมือกำลังจะยกขึ้นแต่ครูพรานกดไลนหล่อนบีบแรงกระซิบต่อมาเบาที่สุดว่านิ่งนายหญิงอย่ากระดุกกระดิกอย่ายิงไอ้ซอกาเล่มึงเฉยนะอย่าวิ่งหรือส่งเสียงอะไรขึ้นเปน็นอันขาดหลอนจึงต้องชะงักนิ่งอยู่เพียงแค่นั้น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 หันส่วนหัวติดกับลำคอที่แผลกว้างอยู่ไปมาดารินสะกดกลั้นลมหายใจหลอนรู้สึกมีกระแสลมอุ่นๆจากปากของนานอินผู้ยืนอยู่เบื้องหลังเป่าเบาๆผ่านซอกคอและเสียงพรมแผ่วเบาเหมือนจะ่า่เวทอะไรสักอย่างหนึ่งครึ่งนาทีที่ผ่านไปของการประจันหน้ากับมหาภัยโดยที่หล่อนไม่ทันรู้ล่วงหน้านั้นมันยาวนานสักร้อยปีก็ไม่ปาน และแล้วอย่างอัศจรรย์ที่สุดจงอ่างร้ายที่ชูคอขึ้นก็ค่อยๆลดศรีรษนต่ําลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งลับหายไปจากพุ่มไม้ที่มันโผล่ชูคอขึ้นมาต่อไปก็มีเสียงเลื้อยบทกิ่งไม้แห้งตามพื้นเคลื่อนห่างไกลออกไปเหมือนจะเปิดทางให้อาละซอกาเละเอ็งเดินต่อไปได้แล้วเสียงนานอินบอกมาจากเบื้องล่างต่ําๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น นายบ้านห่วยเสร้องทอนใจเฮือกใหญ่ราวยกภูเขาออกจากอกอาการคล้ายจะเป็นลมแต่ก็สู้ระ ง, งับไว้ดารินเองแข้งขาอ่อนไปชั่วขนาดแทบไม่มีแรงเดินหล่อนจะเคยรู้จักนานอินมาก่อนแล้วเช่นไรก็ตามแต่สำหรับเช้าวันนี้หล่อนรู้จักเพิ่มขึ้นมาอีก ช, ชายชราเผ่าลาวโซ้งผู้นี้ถึงจะไม่ใช่ระพินไพรวันกนหนึ่งในอาณาจักรป่าดงพงไพรเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้เวทอาคมและเป็นการโชคดีมากที่หล่อนเอาแกมาเป็นเพื่อนด้วยในการเดินมากับซอการเล่เช้านี้ขอร้องอะไรสักอย่างนะทั้งซอการเล่และลุงอินอย่าบอกใครว่าเราพบอะไรเมื่อตะกี้นี้หล่อนบอกเสียงเหือดๆซอการเล่นั้นพูดไม่ออกแต่แต่ยิ้มแห้งๆส่วนนานอินหัวเราะหืดในลําคอเรื่องเล็กน้อยนาะยหญิง ถ้าหนานอินสะกดมันด้วยอาคมไม่ลงแผ่เมตตาแล้วยังไม่ไปหนานอินก็จะแผ่ให้มันด้วยไอ้นี่ไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันมาก่อนมันก็เลยยอมเปิดทางให้เราพร้อมพูดแกชูปืนที่ถือในมือให้ดูดาเรนยิ้มเจื่อน่ออกมาได้หล่อนเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองตามปกติแล้วหนานอินใช้จุดสามเจ็ดห้าแม็กเป็นไรเฟิลประจามือแต่สาหรับเช้าวันนี้ ขณะที่หล่อนพยักหน้าเรียกให้มาเป็นเพื่อนนี่แกถือลูกซอง b รา w n i n g อโต o หนัดอันเป็นปืนของพวกลูกหาบคนใดคนหนึ่งมาแทนราวกับจะรู้ว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้งานในยามฉุกเฉินได้ดีกว่าไรเฟิลไอตัวยาวๆคอมีรูปเกือกม้าชนิดนี้ฉันกลัวมันซะยิ่งกว่าเสือหรือช้างเสียอีกขอบใจลุงมากที่ช่วยแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างสงบราบคาบที่สุด ครูพรานไม่พูดอะไรเพราะตามปกติแกก็ไม่ใช่คนขี้โอวดตัวอยู่แล้วคนละประเภทกับตาบุญคำกระตุ้นหลังให้หล่อนเดินตามซอกาเล่ที่เดินอย่างหวาดหวาดไปข้างหน้าตำแหน่งอันเป็นที่ฝังศพของเนวินตามที่นายบ้านห้วยเสือร้องนำมาให้เห็นนั้นเน้อบาดนี้มันขึ้นรกไปด้วยพงเสือหมอกม อ, มองไม่เห็นร่องรอยอะไรอีกแล้วแต่ก็ถูกยืนยันอย่างมั่นคงว่าเป็นตำแหน่งที่ตนเอง ลูกบ้านห้วยเสือร้องและระพินฟังสร้างปราชจากวิญญาณของนักเสี่ยงโชคชาพมา่าไว้ตรงนั้นแล้วก็ใช้มีดถากทางพงนั้นเข้าไปจนถึงบริเวณชนิดจำได้อย่างแม่นยำขึ้นใจแล้วก็ควรจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องไม่คล้ายเคลื่อนไปแน่เนื่องจากมันไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหรน่นักดารินมายืนพิจารณาดูอีกครั้งพลางกวาสายตาไปรอบๆอย่างทีถ้วน สถานที่ภูมิประเทศในป่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เป็นตำแหน่งอันพอจะสังเกตเห็นได้เด่นชัดอาทิเช่นทิวขุนเขาหรือก้อนหินขนาดใหญ่เพราะมวลวัชพืชจะต้องขึ้นปกคลุมไปหมดแม้เพียงชั่วง 3-4 เดือนเท่านั้นเวลานั้นน้ำค้างยังเปียกชื้นไปทั่วบริเวณลาแสงแรกของตะวันเพิ่งจงสาดจับท้องฟ้าเท่านั้น ระไอหมอกก็ยังคงปกคลุมบางๆอยู่ทั่วไปมาดูหลุมศพคนตายไปตั้งหลายปีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมานายหญิงนานอินถามอย่างไม่สนใจะอะไรนะฉันอยากดูร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่างที่ระพินเคยผ่านพบเคยเกี่ยวข้องด้วยหล่อนตอบอย่างคนที่มีอะไรฝังลึกติดแน่นอยู่ในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นดินนี้ อย่างน้อยก็เป็นเจ้าของลายแทงที่มอบไว้ให้แ ก, กเขาและมาตายในวงแขนของเขาพร้อมทั้งเล่าอะไรต่ออะไรให้เขาฟังซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นเป็นต้นเหตุให้พวกเราทั้งหมดสามารถไปตามลุงอินกับพรานชดจนพบแล้วหล่อนก็หันมาทางครูฟรานลุงพอจะติดต่อกับวิญญาณของเนวินได้ไหมเขาน่าจะให้ประโยชน์ในการติดตามระพีในเช้าวันนี้ของเราได้มากทีเดียวถ้าลุงติดต่อกับวิญญาณของเขาได้ รูพรานจ้องหน้าหล่อนอย่างแปลกใจย้อนถามว่าหน้าหญิงเชื่อในเรื่องนี้หรือฉันเชื่อร้อยเปอร์เซนตเต็มหล่อนกล่าวเน้นคําหนักแน่นจริงจังถ้างั้นหนานอินจะลองดูแต่จะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะแกก็พยักหน้าบอกมาง่ายๆเหมือนกันแล้วต่อมาว่าหน้าหญิงกับซอกาเล่ถอยออกมาก่อนไปนั่งตรงที่โลง่โลงๆและเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวก็รู้ว่าเนวินยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้หรือไปผุดไปเกิดหรือล่องลอยไปไหนแล้วแต่นาหญิงก็ต้องไม่ไปบอกพวกเจ้านายนะว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้รับรองฉันไม่พูดหรอกนั้นอินหันไปส่งภาษากับซอการเล่เร็วและเบาเหมือนจะสอบซักอะไรอยู่อีก 2-3 ประโยคสั่งความกับมันจากนั้นซอกาเล่ก็พยักหน้า ทำกริยาบอกใบกับหญิงสาวให้ถอยห่างออกไปจากบริเวณนั้นโดยเลือกหาที่โล่งนั่งสงบลงห่างจากตำแหน่งที่ครูพรานผู้เท่ายือนอยู่ประมาณ 5-6 ถึงเมตรนานอินหลวงย่ามหยิบทูปออกมาดอกหนึ่งจุดขึ้นแล้วปากลงตรงพื้นอันเป็นบริเวณด้านศีรษะของส้าที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้แผ่นดินที่ได้รับการบอกเล่าจากซอกาเล่แล้วตัวแกเองก็ลงนั่งขัดสมาธิเพชร มือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนตักหลับตานิ่งในความสงัดของดงบริเวณนั้นกระแสลมเริ่มพัดโชยมาเป็นระลอกและแรงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมีอาการเหมือนจะเป็นพายุทั้งที่ปราศจากเขามาก่อนงพงไพรรอบด้านไม่ว่าใยเล็กไกวตัวลู่ระเนนไปหมดเสียงดังอู้ ประมาณแค่3ถึงสนาทีเท่านั้นมันก็สงบลงตามเดิมเหมือนจะเกิดขึ้นจากมายากลทูบหมดไปเพียงแค่หนึ่งในสี่ของดอกนานอินก็ลืมตาและลุกขึ้นพระเดินออกจากตำแหน่งนั้นตรงมายังทั้งสองที่นั่งคอยกันอยู่สีหน้าไม่สบายนักลำบากนายหญิงทำไมลุง ล, อ น, ลอนถามโดยเร็วนานอินล้วงย่ามเอามาแข้งขึ้นมาอม วิญญาณของคนตายยังไม่ไปไหนหรอวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนานอินเรียกโพรจากดินขึ้นมาครึ่งตัวแล้วแต่พอจะถามเท่านั้นไอ้ยักษ์ตัวสูงเท่ายอดกลางก็มายืนคร่อมแยกเขี้ยวยิงฟันชี้หน้านานอินแล้วเหยียบหัวเนวินให้จมลงไปใต้ดินตามเดิมมันไม่ยอมให้คนตายบอกความอะไรทั้งนั้นซ้อยังประกาศอีกว่าถ้าไม่อยากตายให้ถอยกลับกันไปเสียชาตของนานอินยังไม่แก่กล้าพอ จะกดเจ้าป่าที่เป็นยักษ์ร้ายไม่ลงเวลาก็ไม่มีมากนะักไม่งั้นจะลองริษกมันสักตั้งเรากลับกันเถอะป่านนี้พวกเจ้านายทั้งหลายคงรอกันงุ่นงานไปหมดแล้วราชะสะกุลสาวขยี้ปลายจมูกอย่างผิดหวังยืนลังเลอยู่ครู่หล่อนอยากจะลองนั่งทูบด้วยตนเองดูบ้างแต่เกรงว่าพวกพี่ๆจะมาตามหรือเห็นผิดสังเกตเกินไปจึงพึมพำไปทางหลุมฝังศพของเนวินว่า จุติจุตังอรหังจุติขอให้ไปสู่ที่สงบเนะเนวินฉันไปก่อนละแล้วห ล, ล่อนก็โบกมือกับซอกาเล่เห็นความมาให้ถอยกลับด้วยกันทั้งหมดพ่อเฉียดแท่นหินใหญ่อันเป็นตำแหน่งที่ระพินเคยวางแคมป์อยู่หล่อนก็เอานิ้วแตะริมฝีปากส่งจูบแตะไว้ที่หินก้อนนั้นก่อนที่จะเดินผ่านไปนึกอยู่ในใจว่าสุดที่รักเธอคงจะไม่มีวันรู้หรอกว่า บัดนี้ฉันได้ติดตามมาถึงตำแหน่งที่เธอเคยเล่าให้ฉันฟังไว้ในสมัยก่อนนี้แล้วซึ่งในครั้งนั้นฉันฟังเป็นเรื่องนิทานที่เธอกุขึ้นเองเสมากกว่าเอาละ่ะวันนี้เป็นตายอย่างไรฉันก็จะตามเธอเข้านรกดําแล้วมันเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นขอเทพาดาอารักจงปกปากคุ้มครองเธอไว้จนถึงเวลาที่ฉันตามไปพบเธอและถ้าเธอจะถึงที่ตาย ก็ separated. ขอจงตายในอ้อมแขนของฉันเหมือนนกับที่เนวินเคยมาตายในอ้อมแขนของเธอรอฉันด้วยที่รักขาเมื่อทั้งสามเดินกลับมาถึงแคมป์ในหมู่บ้านพวกพีพ่ๆและทุกคนรอคอยพร้อมอยู่ก่อนแล้วอนุชาหน้ามุยมองนาฬิกาข้อมืออยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้พูดตำหนิอะไรเชฐานั้นน่ารักสําหรับน้องสาวคนเล็กตามเคยกวักมือเรียกเข้าไปใกล้ถามว่า เป็นยังไงพบที่ที่รบพินเคยมาพักแรมและหลุมฝังศพของเจ้าของลายแทงในอดีตแล้วหรือน้องสาวฝืนยิม้มพบแล้วค่ะมีอะไรน่าสนใจมากไหมใช้ยันถามมาบ้างหล่อนไม่เอาใจใส่ต่อการเสียสีกึ่งเย้าแย่นั้นก้มลงคว้าเป้หลังขึ้นมาสะพายไหล่และจัดเครื่องแต่งกายให้รัดกุ่มพวกลูกหาบทั้งหลายมัดของเสร็จเตรียมหามหาบและตั้งขบวนแล้ว พวกกระเรียงยังมุงรายล้อมอยู่เต็มไปหมดคราวนี้ดูเหมือนจะออกกันมาทั้งหมู่บ้านเต็มลานแดดเช้าเริ่มจะสาดแสงอบอุ่นลงมาอาบบริเวณแล้วเรามีข่าวใหม่ล่าสุดนะน้อยพี่ชายใหญ่บอกยิ้มยิ้มพวกนี้เพิ่งบอกเราเมื่อกี้นี้เองข่าวอะไรคะเต็นกระโดมพักนอนของพวกอเมริกันที่ใช้กันมาตลอดระยะทางจากหนองน้าแห้งจนถึงที่นี่ พวกนั้นไม่ได้เอาไปด้วยฝากทิ้งไว้ที่หมู่บ้านนี้เองเพราะมันเป็นภาระนหนักสาหรับการแบกหามตั้งแต่ที่นี่เป็นต้นไปพวกเขาไปแบบเดียวกับพวกเรานี่แหละคือไม่มีเต็นท์สำหรับกลางนอนอีกแล้วยังมากก็ผ้าใบปูนอนและผ้าพลาสติกกันน้ำค้างหรือฝนมันแสดงว่าพวกเขารู้ตัวอย่างแน่ชัดแล้วว่าเขาจะต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างแท้จริงไม่ใช่การเดินทางแบบผู้สารวยแล้ว ก็ไม่เลวทีเดียวแหละจัดว่าเป็นหน่วยผจญภัยพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอไม่มีใครมาห่วงความสะดวกสบายอยู่อีกแล้วคงเหมือนเหมือนกับที่เราเคยตามพี่กลางกับลุงอินไปถึงลมช้างและเห็นทั้งสองคนทิ้งเกวียนกับข้าวของที่ไม่จาเป็นอื่นๆไว้กับขยินกระมังคะก็ทานองนั้นแหละพาระแบกหามไปเรื่องสาคัญที่สุดแต่ทั้งหลายแหละก็คงเป็นการแนะนาจากระพินนั่นแหละ เพื่อเกิดความคล่องตัวขึ้นชายยันบอกเดินเข้ามาโอบ ก, กอดดารินด้วยความรู้สึกของพี่ชายคนหนึ่งพร้อมกับถามว่าพร้อมแน่นะสําหรับวันนี้และวันต่อไปในนรกดําข้างหน้าโนนแน่นอนพร้อมเสมอไม่ว่าเป็นหรือตายดีมากเลิกเดินทางของเราวันนี้ตามการดูเรือกลมของพ่อพรานชดเขาแปนาฬิกาสบห้นาทีเหลือเวลาอีกสินาทีเท่านั้น ดารินพยักหน้าและถือกันไกลกับหวีและแปลงผมเดินตรงเข้าไปหาพี่ชายใหญ่บอกเสียงเบาแตเด็ดเดียวว่ายุค ก, ก่อนนี้ณนะวันที่เราจะผ่าออกจากกลมช้างเพื่อเข้านรกดําพี่ใหญ่เป็นคนตัดผมให้น้อยวันนี้ที่ห้วยเสือร้องพี่ใหญ่ช่วยจัดการปล o n ผมให้น้อยอีกสักครั้งเถอะค่ะเอาให้สั้นที่สุดเหมือนคราวนั้นจะได้ไม่เกะ ก, กะพี่ใหญ่แห่งตระกูลหัวเราะรับกันไกลและมีดโกนซอยผมมาทันที กำลังจะเตือนอยู่เหมือนกันว่าให้ตัดผมได้แล้วนั่งลงตรงนี้แหละพี่ตัดให้เองหลอนซุดตัวลงนั่งกับกองสัมภาระเอาผ้าเขม้าของชายยานที่ยื่นส่งไปให้คลุมไหล่แล้วหันหลังให้พี่ชายเส้นผมยาวเป็นคลื่นงามสัมผัสกับความคมของกรรไกรขาดออกเป็นปล่อยๆหมดสิ้นกันเสียทีสาหรับความงามที่ควรจะอยู่ในเฉพาะแสงสีแห่งอารยาธรรม มันเป็นสัญญาณแห่งการประกาศศึกของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าดารินวราริและสั ญ, ญลักษณ์ณะที่พร้อมจะผจญกับความตายได้ทุกขณะจิตไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนรกดำป่านอกพ้นการสํารวจก็เผชิญหน้ากับทุกคนผู้กำลังจะเหยียบย่างเข้าไปสู่จะตายหรือจะรอดกลับมาพ้นจากความที่จะต้องมาคิดคำหนึ่ง มนุชาวราริตครอบมัวที่ห้อยอยู่สวมศีสะยืนอัดควันบุรีจากก้นที่เหลือกุดอยู่เบื้องหน้าของทุกคนลูกหาภ้าคู่แบกของขึ้นบ่าขยินนานอินแยกกันออกตรวจดูความเรียบร้อยท่ามกลางการรายล้อมของพวกผว้สรรองและตะเคียนทองซอการเล่และโบเมียสองนายบ้านรวมทั้งสเสอิงยืนซึมเ ง, งาหงอย สิ่งของเครื่องใช้อันไม่จำเป็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งแม้จะประหยัดน้าหนักกันเต็มที่แล้วก็ตามได้ถูกมอบไว้ให้แก่พวกกระเรียงหมู่บ้านสุดท้ายอันเป็นชมรมของมนุษยชาติที่พอจะเข้าใจภาษามนุษย์ด้วยกันได้เครื่องวิทยุติดตัวของแต่ละบุคคลถูกเปลี่ยนทานและทดสอบว่ามันจะทางานได้ดีที่สุดปืนพกสั้นขนาดหนักที่เคยติดเอวกันอยู่บัดนี้ถูกสอดเก็บไว้ในเป้หลัง คงมีแต่มีดโบวีคมกริบเท่านั้นที่ติดเข็มขัดอยู่การผ่านประจนกันมาก่อนแล้วสอนให้ทุกคนรู้จักดีว่าเมื่อไรเฟิลอยู่ในมือแล้วปืนพกสั้นก็เป็นสิ่งสำรองลงไปมีความจะเป็นน้อยกว่ามีดมากนักยกเว้นเวลาจําเป็นจึงจะล้วงขึ้นมาใช้เท่านั้นดีกว่าพกติดสองข้างเอวให้ทวงหนักเราขอขอบใจเพวเจ้าทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด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 โบมีแล ะ, สะเสอิงมีหยาดน้ำตาซึมแล้วทั้งสามคนก็ตะโกนขึ้นว่าขอให้เจ้านายทุกคนตามนายระพินกลับมาด้วยความปลอดภัยเอาอูถากกัะพระโตคนของเรากลับมาด้วยขอให้ผีป่าผีเขาผีห้วยผีทานคุ้มครองเจ้านายและพวกที่ไปในครั้งนี้ทุกคนนานอินจบไรเฟิลจดหแม็กประจาตัวของแกขึ้นเนื้อศีรษะ ภาวนาอยู่กึ่งอึดใจก็ส่งปากกระบอกปืนขึ้นท้องฟ้าเหนี่ยวไกลั่นตูมสนั่นเป็นการเบริกใครมรณะเสียงของมันดังกระหึ่มคำรามก้องไปทั่วหมู่บ้านและป่าเขาที่แวดล้อมอยู่ตะวันพ้นตัวออกจะกลีบเมฆท่อแสงสุก ป, ปลังอรารามจานนาบัตนั้น ดารินวราริศนำรุดหน้าไปก่อนแล้วโดยเลือดเส้นทาระยะแรกที่พวกคั้วเสือร้องชี้บอกถึงการบ่ายหน้าไปของราพินไปเมื่อ3มวันก่อนมีอนุชาและนานอินทอดระยะเดินตามหลังห่างประมาณ10เมตรซึ่งทั้งสองเริ่มใช้ความพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและระมัดระวังเพิ่มขึ้นผิดไปจากทุกครั้งนานๆก็จะซุบซิบหารือกันสัีหนึ่งสำหรับเชษฐาชยัน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 ไม่ว่าในสภาพปกติหรือสภาพที่เกิดฉุกเฉินเร่งด่ว น, อ, นอันหมายถึงอันตรายซึ่งจะจู่โจมมาในรูปแบบต่างๆความคุ้มเคยมาก่อนของบุคคลคณะ น, นี้ช่วยให้เกิดความคล่องตัวสูงและจะทานต่อเหตุการณ์ทุกชนิดโดยไม่จาเป็นที่ใครจะต้องคอยเป็นห่วงใครเกินไปนะักกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็เห็นจะเป็นพวกลูกหาผ้าคู่สิบคนนั่นแหละ เพราะถึงแม้จะเป็นลูกป่าโดยสายกำเนิดแต่ประสบการณ์ในป่าอันดุร้ายอันตรายอย่างแท้จริงเช่นนรกดำที่กำลังก้าวลึกเข้าไปนี้พวกเหล่านี้ไม่เคยมาก่อนเลยเชษฐาอันเป็นหัวหน้าคณะจึงกำชัพให้ทุกคนคอยทำหน้าที่พิทาคุ้มครองพวกลูกหาเป็นพิเศษถ้าหากเกิดอันตรายใดๆขึ้นราชสกุลสาวนาบัดนี้เดินไปด้วยลักษณะของนักเดินป่าอาชีพอย่างแท้จริงไม่เลี้ยวหลังกลับมาดูใครทั้งสิ้น สังเกตทุกทิศทางร่องรอยรอบด้านระหว่างผ่านตามที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วจากบุคคลที่หล่อนกาลังออนติดตามอยู่ในขณะ น, นี้ด้วยความมุมาณนะและพลังใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวยิ่งดูจะแข็งแรงปราดเปรียวและเดินเร็วกว่าทุกครั้งนับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งมาเวลาล่วงผ่านไปเป็นลาดับจากสภาพไรซากเริ่มล่วงเข้าสู่ป่าแดงสลับไปกับทุ่งแฝก ร่องรอยของคณะรพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแค่สาวันเห็นชาติจูเ็นระยะระยะตะวันลอยตัวสูงขึ้นทุกขณะอากาศเริ่มเปลี่ยนจากความเย็นสดชื่นของเวลาเช้ามาเป็นร้อนระอุอ้าวขึ้นทุกขณะหนึ่งชั่วโมงแรกไม่มีการหยุดลังเลเพื่อคานวณหาเส้นทางเลยเพราะอนุชาขี่เส้นกำหนดไว้แล้วนั่นคือทิวขุนเขาที่แลเห็นขวางลิบๆอยู่เบื้องหน้าโดยสั่งให้บ่ายหน้าตัดตรงเข้าหาก่อน และก็ไม่มีการพูดจาอะไรกันทั้งสิ้นขบวนทั้งหมด16คนเดินกันไปอย่างเงียบเชียบที่สุดเส้นทางเดินยังจัดว่าอยู่ในระดับพื้นราบสลับไปกับลักษณะภูมิประเทศทุ่งบ้างละเมะบ้างและดงบ้างไม่มีวิแววของสัตว์ใดๆให้เห็นเลยนอกจากเหยี่ยวที่ถลาร่อนอยู่บนยอดกิ่งไม้และกิ่งก่าตัวขนาดข้อมือมีน้ำเต็มตัวไปหมด ก่อนจะล่วงเข้าทุ่งแฝงอีกช่วงหนึ่งซึ่งสูงท่วมศีสษอันมองเห็นอยู่เบื้องหน้าขณะที่เฉียดผ่านปลวกสูงปกคลุมไปด้วยค่อยทึบทุกคนเห็นดารินผู้เดินนาอยู่เบื้องหน้าหยุดชะงักและจับไรเฟิลขึ้นในท่าเฉียงอย่างชับพลันอาการเตรียมพร้อมร่างของหล่อนยืนสนิทนิ่งและก่อนที่ใครจะทันร้องถามอะไรออกไปนั่นเองก็ปรากฏเสียงคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงอ้าว และลงท้ายหึมกระหึ่มไปทั้งความเยี่ยบอนุภาคแห่งเสียงคำรนนั้นดูราวกับว่าทุกกิ่งก้านสาขาของพุ่มไม้ไหวสะเทือนไปหมดน้อยอนุชาผู้อยู่เบื้องหลังแต่ใกล้กว่าทุกคนตะโกนลั่นไม่ทันขาดคำร่างของน้องสาวคนเล็กก็เบี่ยงแวบไรเฟิลที่ถือเสรยปากกระบอกอยู่กดวูบลงพร้อมกันก็มีเสียงแผดระเบิดแหลมของกระสุน กลบสำเนียงได้ลงหมดสิ้นมันดังเปรี้ยก่อนแล้วก็ตามติดมาในทันทีด้วยเสียงกรรมปนาแสบแก้วหูอะไรชนิดหนึ่งที่พุ่งลอยสูนเข้าใส่มองเห็นแวบเป็นทางเหลืองสลับดำจากลำแสงของตะวันที่ลอดกิ่งไม้ลงมาพลิกม้วนกลางอากาศเนื้อศีษะของดารินขณะนี้และตัวหล่อนเองก็เพนชาข้าข้างท่าในชั่วพริบตา เสียงมันหล่นลงมากระแทกกับพื้นราวกับกระสอบเข้าสารโยนลงโดยแรงดินหมุนปัดเป็นวงกลมฝุ่นและใบไม้แห้งตลกเสียงอนุชาเชท้าชายยันร้องอย่างตกใจออกมาพร้อมๆกันแล้วตวัดไรเฟิลประจำตัวขึ้นแต่มันไม่จำเป็นเสีแล้วสัตว์ร้ายตัวยาวขนาดโซฟาขึ่งเคืองมีลายดำสลับเหลืองและขาวเห็นชั่วแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นอะไรนั้น บตดนี้หยุดการเคลื่อนไหวอย่างอื่นแล้วมีแต่อุ้งเท้าทั้งสี่ด้านที่เหยียดเกรงและส่วนปลายสั่นอยู่ระริกๆในสภาพนอนตะแคงกับพื้นไม่มีสัญญาณใดๆที่สอให้เห็นว่ามันสามารถจะเพ่นโลขึ้นมาอีกได้เลยหรือแม้แต่จะขยับตัวทั้งหมดแม้กระทั่งลูกหาบและขยินก็วิ่งฮือกันเข้ามาโดยโปรงของที่แบกหามชั่วคราวเสียงตะโกนเสียงร้องถามแซดฟังไม่ได้สับ คู่ของนานอินและพรานชดแล่นเข้าไปถึงที่ร่างนั้นก่อนตามติดมาด้วยคู่ของเชตฐาและชายยันส่วนดารินกระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกทิ้งแล้วในทันทีที่ยิงปลากนัดใหม่เข้ารังเพลิงเร็วจะดูไม่ทันเจ้าสิ่งนั้นคือลายพาดกรอนขนาดเครืองเต็มที่เท่าเสือเบงกอลอันจัดว่าเป็นเสือโครงชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ขนาดธรรมดาที่สุดของเขตป่าดาหยุดการ ชักกระตุกแล้วเลือดสดๆทะลักเป็นลิ่มๆออกมาจากปากที่อ้าค้างของมันกับบาดแผลที่ทะลุออกกลางกระหม่อมซึ่งกระสุนจุด300แมกนัมตีขว้านทำให้กระโหลกเท่ากระบุงย่อมๆแหว่งหายไปชิ้นเกือบฝ่ามือโดยลักษณะาบาดแผลการยิงอย่างเฉียบขาดชนิดนี้ทุกคนที่เห็นรู้ดีว่ามันหมดฤทธิ์กลางอากาศก่อนที่จะหล่นลงพื้นด้วยซ้า ส่วนที่ยังเห็นดิ้นเป็นวงกลมเมื่อตกลงถึงพืช น, นั้นเป็นไปด้วยอำนาจบังคับของปราสาทเท่านั้นมองไปเบื้องหน้าระดับต่ำกว่าเล็กน้อยอันห่างออกไปราว8เมตรคือซากของกระทิงย่อมๆตัวหนึ่งถูกกัดกินทางด้านท้องเข้าไปแล้วเกือบครึ่งตัวนอนขากลางอยู่ครูพรานพี่ชายทั้งสองและเพื่อนมองไปทางน้องสาวคนเล็กซึ่งยืนถือไรเฟิลรีตามองดูเสือตัวนั้นอยู่ ใบหน้าของหล่อนเงือชุ่มโชกทุกคนเงียบไปขณะจิตมีแต่ขยิดและพวกลูกหาบเท่านั้นที่โวยวายกันอยู่ระหว่างเข้ามามุงดูซากเสือใหญ่พี่ชายกลางขยี้ปลายจมูกอย่างงุดหงิดแต่ไม่พูดอะไรชายยันเองก็นิ่งได้แต่โครงหัวมองหน้าหญิงสาวเฉยพี่ชายใหญ่เท่านั้นที่เข้ามาใกล้พูดเสียงต่ำๆว่าน้อยคราวหลังถ้าจะยิงก็ยิงเลยนะอย่าปล่อยให้มันชาร์จ กระจนเข้าใส่แบบนี้มันอันตรายเหลือเกินถ้ากระสุนนัดนั้นไม่ถูกเธอแหลกน้อยเสียใจค่ะหล่อนตอบเบาๆบรรจุกระสุนเพิ่มเติมแทนนะัดที่ยิงไปแล้วให้เต็มอัตราตามเดิมน้อไม่ตั้งใจจะยิงมันเลยพอพ้นเนินปลวกก็เห็นมันสองตัวกำลังหมอบแท้ทราบลูกกระทิงนั่นอยู่รู้สึกว่ามันจะหิวและหวงเยือมากครั้งแรกนึกว่ามันจะเพ่นนี้ไป ปรากฏว่าไอตัวเล็กกว่าเพนลบเข้าทุ่งแฝงแต่ไอ้ตัวนี้หล่อนบุ้ยปากไปที่ซากมันกระโจนเข้าใส่น้อยทันทีโชคน้อยดีกว่ามันที่กระสุนฟลุกเข้าปากแล้วทะลุออกกลางหัวถ้าผิดอย่าว่าแต่มันจะขย่อมหัวน้อยเหลวไปเลยเอาแค่น้ำหนักตัวหล่นทับน้อยก็คอหักแล้วชายยันสะกิจแขนแล้วบอกเรียบๆว่า ฉันและพวกเราทุกคนรู้ว่าเธอคือลูกศิษย์เอกของระพินไพร์วันแต่ขอโทษทีถึงอย่างไรเธอก็ไม่ใช่ระพินเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรตามอย่างอาจารย์ให้มากนะักชั่วโมงบินยังห่างกันหลายขุมดารินเงียบไม่โต้เถียงอะไรทั้งสิน้นหล่อนยิงเสือมามากแล้วก็จริงแต่ก็ไม่เคยมีครั้งใดที่จะยิงแบบชนิดส่วนหน้าขณะที่มันกระโจนเข้าใส่ในระยะประชิดแบบนี้มาก่อน และโดยแท้จริงมันก็เป็นเจตนาของหล่อนเองที่จะรอจังหวะให้มันกระโจิเข้าใส่ซะก่อนซึ่งเพื่อนและพี่ชายทั้งสองรู้เท่าทันดีนรกดำเปิดฉากต้อนรับหล่อนและคณะทุกคนแล้วเพียงชั่วโมงเศษที่ล่วงล้ำเข้ามาเท่านั้นนานอินก็ได้แต่บ่นอุบอิบอยู่ในลำคอว่านายหญิงยิงเสือแบบนี้ไม่ดีเลยไม่มีพรานหรือนักล่าสัตว์คนไหนก็ทากันนอกจากนายรพินคนเดียวเท่านั้น นั้นอินเองก็ยังไม่เคยกล้ายิงแบบนี้ก็แลกกันสิหล่อนบอกริสิน่าราบเรียบปกติไม่สออาการยินดียินร้ายเรายิงผิดเขาก็เอาชีวิตเราไปแต่ถ้าเรายิงถูกเขาก็จบสิ้นชีวิตกลิ้งโคโลอยู่นั่นมันยุติธรรมดีที่สุดแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ตั้งใจจะฆ่าเขานอกจากจะป้องกันตัวเองเท่านั้น ขยินและพวกปรานพื้นเมืองทุกคนมองดูนายหญิงแล้วกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆโดยเฉพาะพวกหนองน้าแห้งอันเป็นลูกหาบมาด้วยเคยได้ยินได้ฟังแต่เฉพาะบุญคำเกิดเสยและจันเล่าเท่านั้นว่านายหญิงคนนี้มีฝีมือขนาดไหนก็เพิ่งจะมาเห็นการชัดๆจากจ่ตาเอาเดี๋ยวนี้เองผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมาะแล้วที่จะเป็นเมียของนายรพิน นายตาหัวหน้าลูกหาบซุบซิบกับพักพวกที่มายืนตะลึงดูซากเสืออยู่อย่างเบ้าที่สุดนั้นอินโบกมือไล่พวกนั้นให้ไปทำหน้าที่หาผาาสำหรับที่กองทิ้งไว้ตามเดิมและคราวนี้ทั้งสี่คนของฝ่ายเจ้านายจึงเดินไปพร้อมๆกันโดยผ่านซากเสือและเหยื่อที่มันกัดกินไว้ไปยังไม่หันมาสนใจอะไรอีกการบุกเข้าไปในทุ่งแฝงสลับไปกับต้นย่าขนสูงท่วมศรีรษะ เริ่มเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไตร่ตรองจริงอยู่อันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายสี่เท้าอาจหมดสิ้นไปชั่วคราวเพราะเสียงระเบิดกึกก้องของไรเฟิลเท่ากับเป็นการไล่พวกที่ซุ่มซ่อนอยู่ให้เตลิดเปิดเปิงไปแต่งูพิษกับความคมระคายของใบหญ้าเป็นสิ่งทรมานไม่ใชิเล่นท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุอนุชากับนานอินเริ่มพิจารณาหาลู่ทางที่จะผ่านเข้าไปโดยไม่ต้องบุกแหวกกันมากนะ โดยเดินเลาะลัดพิจารณาดูตามแนวอนาทึบนั้นแล้วชั่วไม่นานก็มองเห็นร่องรอยโล่งราบเป็นทางเมื่อลักษณะสัตว์ประเภทกระทิงหรือวัวแดงเดินตัดเข้าไปทั้งฝูงทําให้แฝกและหญ้าอันขึ้นอยู่หนาทึบเหล่านั้นแหวกลู่เป็นช่องทางจึงนําเข้าไปก่อนทันทีแล้วโบกมือให้ทุกคนตามเข้ามาการเดิ น, นระยะนี้ไม่ทอดระยะห่างกันนะหากแต่เป็นแถวเรียงเดี่ยวโดยนานอินนําเข้าไปก่อน ใช้ดาบที่สะพายหลังอยู่ฟาดฟันเบิกทางเข้าไปด้วยหลังจากเสียระเบิดของไรเฟิลที่ดารินยิงเสือตัวนั้นแล้วไม่มีสัตว์ใดหลบซ่อนอยู่ในบริเวณทุ่งนั้นอีกเลยนอกจากนกบานชนิดที่นานๆครั้งจะส่งเสียงร้องและโผบินขึ้นจากพงรกทั้งขบวนบุกบั่นกันเข้าไปโดยเฉพาะพวกเจ้านายกลัดดุมเสื้อติดที่คอมิดชิดเอาแขนเสื้อที่พับไว้แค่ข้อศอกลงจนถึงข้อมือ และใช้ผ้าเขามาหรือผ้าเช็ดตัวพันหน้าไว้อีกชั้นหนึ่งป้องกันความสากคายของใบหญ้าใบแฝกไม่ให้มากระทบผิวหนังอันจะก่อให้เกิดความระคายเคืองมันดูหนาทึบจากเบื้องหน้าก็จริงแต่เมื่อตัดลึกเข้าไปก็พบแองและปลักที่มีรอยลงเกลือกนอนของพวกควายป่าหรือแรดพร้อมทั้งรอยเท้าเก่าๆร่องรอยของขคณะระพินค้นไม่พบแล้วกลางดงแฝกนี้อาจ แยกกันเข้าคนละทางในความคิดของทุกๆคนรวมชั่วโมงเต็มๆที่ทั้งหมดตัดทุ่งแฝกเข้ามาสภาพอันรกทึบมองอะไรข้างหน้าเห็นได้ไม่ไกลนะก็เริ่มโปร่งบางขึ้นไปลำดับจนกระทั่งมาพบกับทุ่งหญ้าเตี้ยเป็นลอนสูงๆต่ำๆลิบเลี่ยวเข้าไปสู่ป่าไม้โปร่งๆและขวางทางอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปราวหนึ่งร้เมตร กระทิงทั้งฝูงกำลังหากินกันอยู่เต็มไปหมดไม่ต่ำกว่า2 0สถึงสิบตัวก็คงจะพวกนี้แหละที่เดินแหวกทางนำร่องให้ไว้ก่อนแล้วอนุชา ย, ยกมมือขึ้น ส, สูงเป็นเชิงบอกให้ทุกคนหยุดรอยอยู่ก่อนเจ้ากระทิงเหล่านั้นอยู่เหนือลมมันไม่ระแคะระคายอะไรในกลิ่นหรือเสียงของมนุษย์ที่ตามมันและโผล่ออกมาพบโดยไม่ตั้งใจเลยถ้าคิดจะล่ากันก็สบายมาก แต่บุคคลขนาดนี้ไม่ได้มาล่าสัตว์เว้นแต่จะหาเป็นสเสบียงยามจาเป็นเท่านั้นและขนาดนี้สเสบียงประทังชีพก็ยังเต็มอตรายอยู่จึงไม่มีความจําเป็นอะไรระหว่างที่ทุกคนหยุดรออนุชาใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจและบอกเบาๆกับทุกคนที่ก้าวขึ้นมายืนเคียงเรียงเป็นหน้ากระดานอยู่ว่าฝูงบาร์เมเลยมีครูปรีตามหากินห้อยท้ายอยู่ด้วยเจดตัว เราจะต้องตัดไปทางที่พวกมันขวางอยู่ไม่ใช่หรือพี่ชายใหญ่ถามครับนั่นเป็นระยะทางที่ย่นที่สุดดีกว่าจะเดินอ้อมหลีกมันและจะเอาอยัางไงชายยานถามขึ้นบ้างถ้าจะเดินใกล้เข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่หมอนะักรองเพราะถ้ามันแตกตื่นแล้ววิ่งเข้าหาทั้งฝูงจะลำบากยิงปืนไล่ดีกว่าแต่จะยิงให้ถูกตัวพวกมันขนานี้เรายังไม่ต้องการสเสบียงเพิ่มเติมอะไรอ้า ทางงั้นก็จัดการเลยนี่ก็ใกล้เที่ยงเข้ามาเต็มทีแล้วเทศถาสั่งเพราะไม่ต้องการเสียเวลาอะไรทั้งสิน้นอนุชาหันไปร้องบอกนานอินและนานอินก็สั่งไปทางขยินเจ้านั่นชูปืนลูกซองขึ้นฟ้าเหนียวไกลบึ้มดังกังวานไปทั่วท้องทุ่งเสียงกระสุนที่ดังขึ้นช่วยให้ฝูงกระทิงและครูปรีเหล่านั้นตระหนกและออกห่อควบตะบึงเป็นแถวไปทางด้านใต้เรียบชายป่าโปรง่ง ลับเนินละเมาะทึบเตี้ยๆบริเวณหนึ่งหายไปอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของพวกมันดังสะเทือนไปหมดแต่เจ้าสิ่งที่ติดตามมาในทันทีที่ฝูงกระทิงแล่นตะเตลดิดหนีไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยเลยเพราะใกล้ๆแค่สี่เมตรอันมีต้นหญ้าเตี้ยบางอยู่และเห็นนกบางชนิดบินขึ้นบินลงอยู่เบื้องหน้านั่นเองเจ้าทุ่งภูทอระหดและดุเดือดอีกชนิดหนึ่งก็ทะ ย, ยานรวดขึ้นจากหลมโครน อันทุกคนมองไม่เห็นมาก่อนว่ามีหล่มคลนอยู่บริเวณนั้นแรดสองนอหรือกระสู้ขนาดน้องน้องช้างน่าจะเป็นสองตัวหัวเมียเพราะมีลูกขนาดย่อมย่อมอีกตัวหนึ่งรวมเป็นสามตัวมันเพ่นโผล่ขึ้นมาวิ่งหยอยอหมุนวนสูดกลิ่นอยู่ไปมาแต่ไม่ได้บ่ายหน้าไปไหนคงวิ่งวนเวียนอยู่บริเวณใกล้ๆนั่นเองหันหน้าไปตามทิศทางต่างๆ ลักษณะของมันพยายามจะจับกลิ่นไอไอนีไม่เหมาะแล้วแฮะชายยันครางขึ้นต่ำๆในลำคอขยับลูกเลื่อนขึ้นนกไรเฟิลจุดสี่ห้าแปดของเขาทันทีน้อยครานี้เห็นจะต้องขอร้องให้เชื่อพี่บ้างแล้วล่ะคุณชายกลางสังเกตทิศทางลมให้แน่ใจอีกครั้งพร้อมทั้งเอ่ยขึ้นตกลงค่ะจะให้น้อยทำยังไงเธอขยินและชยยัน พาพวกลูกหาเดินออบไปทางขวามือนี่นะพยายามให้อยู่ใต้ลมเข้าไว้พี่พี่ใหญ่และลุงอินจะพยายามลออมันไว้อีกทางเราจะไม่ทำอะไรมันยกเว้นอย่างเดียวถ้ามันชาร์จเข้ามาก็ช่วยไม่ได้ดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายแต่ชั ย, ยันถามว่าทำไมไม่ให้น้อยกับขยินคุมพวกลูกหาไปฉันควรจะอยู่ทางด้านแกอีกคนไม่ใช่หรือทาไมถึงให้ฉันไปกับน้อยด้วย แกเองก็ชำนาญป่าและน่าจะรู้นิสัยไอรรถถังประจำทุ่งนี่ดีแล้วอนุชาตอบห้วนๆเอามือป้ายเงือที่กำลังจะย้อยเข้าตามันไม่กลัวเสียงปืนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นดุเดือดบ้าเลือดตาไม่ดีแต่จมูกดีเป็นพิเศษระหว่างที่ฉันพี่ใหญ่และนานอินคุมมันอยู่ใกล้ๆมันอาจได้กล่นพวกของน้อยที่เดินอ้อมห่างออกไปและพุ่งเข้าใส่ทางด้านนั้นก็ได้และถ้ามันพุ่งไปทางด้านน้อย ก็ยังมีจุด4 5 8คุมอยู่อีกกระบอกลําพังจุด 300W เ max ของน้อยถ้าไม่ถูกที่สําคัญชั้นโกล ว, ว่าจะไม่อยู่และจะยุ่งกันทั้งขบวนทีเดียวดีไม่ดีได้มีการตายเกิดขึ้นบ้างทฐานะ ท, ที่เราออกเดินทางจากห้วยเสือร้องเพียงไม่ยังไม่ถึงครึ่งวันเท่านั้นเราต้องการไรเฟิลขนาดใหญ่ไปทางด้านน้อยและพวกลูกขาบอีกกระบอกหนึ่งและไม่มีใครเหมาะสมเท่าแก่ พวกลูกหาวทุกคนมีแค่ลูกซองเท่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยกับไอสัตว์หนังหนาบ้าดีเดือดชนิดนี้เชื่อพี่กลางเถอะเธอมากับฉันจะได้คอยคุ้มกันพวกลูกหาไว้ดารินตัดบทคว้าแขนชา ย, ยันให้อยู่ฝ่ายตนซึ่งอดีตนายทหารปืนใหญ่จำต้องยอมปฏิบัติตามด้วยเหตุผลที่พรานชดบอกและเมื่ออนุชาโบกมือแทนความหมาย หล่อนและชั ย, ยันก็นำพวกลูกหาตีวงอ้อมไปทางขวามืออันเป็นด้านใต้ลมทันทีเลาะลัดตัดทุ่งไปอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาพวกลูกหาแบกหามของในลักษณะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเสียงเชษฐาร้องบอกมาเร็วปรือว่าอย่าลืมเปิดวิทยุสแตนบายไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นจะได้พูดกันได้ยินราชสกุลสาวและช ย, ยันปฏิบัติตามคาสั่งออกจอ้าอ้าวนาพวกลูกหาตีอ้อมห่างไกลออกไปโดยเร็ว อนุชาสั่งการทางวิทยุทันทีว่าตีอ้อมห่างออกไปอีกพยายามห่างให้มากระวังไว้ด้วยไอตัวใหญ่หันหน้าไปทางที่ที่พวกเธอบ่ายหน้าไปแล้วจริงอย่างที่อดีตพรานชดว่าเจ้าตัวผู้ขนาดมหึมาซึ่งยืนหันรีหันขวางอยู่บัดนี้หันหน้าเบิ่งไปทางด้านที่ดารินรชา ย, ยันกำลังอ้อมทุ่งไปสองหูเรียวเล็กกระดิกไปมาหญิงสาวเม้มริบิปากแน่นเดินจำอ้าวอาเคียงคู่ไปกับช ย, ยัน พลก็หันหน้าคอยสังเกตอากับกริยาของเจ้าทุ่งตัวนั้นตลอดเวลาขายินไล่ต้อนพวกลูกหาเหล่านั้นให้เดินกึง่งวิ่งให้เร็วขึ้นอีกตัวมันเองรู้ดีว่าลําพังลูกซอที่มันถืออยู่ยังมากก็ทําให้รถถังใหญ่สองตัวนั่นคันคันเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรฝีเท้าของมันก็ไม่เป็นรองใครกะว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็คงโกยอ้าเอาตัวรอดไปก่อนระยะเวลาอันตัดสินใจอย่างกระทันหันชนิดนี้ ตัวมันเองและพวกลูกหาบทุกคนไม่มีเวลาแม้แต่จะเปลี่ยนกระสุนจากลูกปรายขนาดใหญ่ชนิด SG หรือ Double O Buck มาเป็นลูกโดดทำไมเราจะต้องเสี่ยงการเดยชยที่แบบนี้พี่ว่าถล่มมันเสนเลยไม่ดีกว่าหรือพี่ยิงนางตัวเมียนั่นเองเธอยิงไปที่ไอตัวผู้ใหญ่นั่นระยะแค่นี้ถ้าชั่วๆก็ไม่เกินสองนะัดเท่านั้นล้มแน่ เชษฐาเริ่มกระสับกระส่ายเมื่อเห็นแรกสองตัวผัวเมียมีอาการไม่ชอบมาพากล น, นับแต่น้องชายเยือกเย็นกว่าหรืออย่างน้อยลักษณะของเขาก็คือพรานอาชีพมาแล้วยังไม่ถึงคราวจำเป็นจริงๆเราอย่าทำอะไรมันดีกว่าครับเราก็ตั้งปณิธานกันไว้แล้วว่าจะไม่ฆ่าสัตว์อะไรโดยไม่จำเป็นผมคิดว่าเราอาจผ่านมันไปได้โดยไม่ต้องฆ่ามันอีกอย่างหนึ่งมันก็มีลูกด้วย เอาละครับตามผมมากล่าวจบอนุชาหรืออดีตพรานชดผู้พิชิตเทือกระสิวะมาแล้วก็เริ่มออกจากที่เดินเลาะไปด้านเดียวกับที่ดารินและชัยยันนำพวกลูกหบับอ้อมห่างออกไปแล้วโดยมีหนานอินและเชิาเดินขนาเป็นสามจุดเว้นระยะห่างกันประมาณคนละห6เมตรเชิาสั่งวิทยุอีกครั้งน้อยชัยยัน ถ้าจําเป็นจะต้องยิงให้ระวังวิถีกระสุนด้วยเพราะฝ่ายพี่สามคนอาจจะอยู่ในวิถีกระสุนถ้าอย่างไงแล้วก็ล้มตัวลงนอนราบก่อนก็แล้วกันเสียงชายยันตอบมาใกล้เข้าไปและใกล้เข้าไปตามลําดับสําหรับฝ่ายของอนุชาเชษฐาและนานอินผู้กระชับไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือทั้งหมดจ้องจับไปที่ครอบครัวของไอ้เจ้าทุ่งอันมีสมาชิกอยู่3ามตัวนั้นเขม็ง พลางก็เลี้ยวไปดูฝ่ายของดารินและชายยันที่ตะลุยอ้าทางไกลออกไปอีกเดิมมีฝ่ายเขาย่องเงียบเฉียดใกล้แรกทั้งสามเข้าไปจนกระทั่งมองเห็นตัวมันอย่างเด่นชัดรวมทั้งปลักคโครนขนาดใหญ่ที่มันลงไปนอนเกลือกอยู่เมื่อครู่นี้ด้วยเป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำลงไปจึงทำให้ไม่ทันจะมองเห็นในครั้งแรกไปเสียไปทางซีกซ้ายมือน่นอย่าตีออกขวาละ่ะ เสียงพรานครูผู้เท่างึมงำอยู่คนเดียวตัวแกเองเคยตามแรดมาแล้วเป็นแรมเดือนแต่ในยามที่ไม่ต้องการพบแบบนี้ดันมาเจอเอาง่ายๆลำพังตัวแกนั้นไม่กระไรนักหรอกสำคัญพวกลูกหา่าถ้ามันวิ่งตะลุยผากลางเมื่อไรเป็นได้เละกันเมื่อนั้นถึงนายหญิงหรือนายทหารชา ย, ยันก็ยังไม่แน่นักว่าจะหยุดมันได้อย่างทันควัน ตะวันฉายแสงเปลี่ยงเกือบตรงศีรษะลมที่เคยพาชโชยอยู่อ่อนๆดูเหมือนจะสงบลงชั่วขณะทั้งนั้นอินและพรานชดทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างไปอย่างระมัดระวังสังเกตทางลมอยู่ตลอดเวลาด้วยความชำนาญเชษฐาจึงไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรในเรื่องนี้นอกจากไรเฟิลที่พร้อมอยู่ในมือเท่านั้นโดยตัดสินใจเฉียบขาดว่า หากพวกมันมีท่าทีอันจะก่อให้เกิดพิบัยขึ้นเมื่อใดไม่ว่ามันจะวิ่งมาทางด้านเขาหรือด้านของชายยันกับดารินที่เบี่ยงห่างออกไปอีกโดยทำมุมเยื้องกันอยู่เขาจะยิงสกัดในทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้น้องชายกลางหรือนานอินลงมือก่อนพวกที่อ้อมห่างออกไปไกลลิบลบออกไปแล้วอย่างเร่งรีบและดูจะออกคนรัศมีอันตรายเพราะอย่างน้อยขณะนี้ คณะของฝ่ายนั้นก็อยู่ห่างจากตำแหน่งที่พวกมันสามตัวพ่อแม่ลูกแล่นตะโพงหันรีหันขวางอยู่ไม่น้อยกว่า130เมตรแล้วส่วนทางด้านเขาอนุชาและนานอินสิกลับเป็นฝ่ายที่เฉียดปลายจมูกมันมากที่สุดรอีกนายหนึ่งก็เดินเฉียดชิดเพื่อจะขวางดักหน้ามันนั่นเองในกรณีที่มันจะบ่ายหน้าไปทางขวามื อ, อยาที่คิดระแวงกัน และระยะที่จะต้องเฉียดผ่านก็เห็นจะไม่ไกลเกินกว่า30สิบเมตรแน่ๆบางทีอาจใกล้กว่านั้นก็ได้ถ้าหากมันพากันวิ่งมาทางด้านขวามือไม่ต้องหยุดรอเดินกันต่อไปเร็วยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งดีทางนี้เป็นหน้าที่ของพวกพี่เองเชษฐาพูดเบาๆลงในวิทยุของเขาสั่งเตือนไปทางดารินอันบัตหนี้เห็นพากันไปจับกลุ่มยืนดูเหตุการณ์อยู่ และมีอาการภาวะ า, าวาเมือนจะหยุดรอด้วยความเป็นห่วงลักษณะการเดินของฝ่ายเชิดาอยู่ในรูปเรียงหน้ากระดานแต่เว้นระยะต่อคนประมาณ 5-6 ถึงเมตรไม่จำเป็นจะต้องซักซ้อมอะไรกันทั้งสิ้นระหว่างคนทั้งสามความชำนาญที่เคยผ่านเหตุการณ์มาก่อนแล้วอย่างโชคชนจะไม่ทำให้เกิดความสับสนชุลมุนเกรงว่าจะยิงถูกกันเองหรือจะมีใครบังทิศทางปืนของใครทั้งสิ้น จากวิธีที่เดินในลักษณะเช่นนี้เข้าหาสัตว์ร้ายในทุ่งโลง่งโดยมุ่งหวังอยู่สองกรณีคือหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงเสียแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องถลม่มหากบัญชาตเข้าใส่ประมาณ25เมตรอันจัดว่าเป็นระยะอันตรายใกล้ชิดที่สุดพวกมันยืนเบิง่งมองขเขม็งมายังคนทั้งสามแล้วหนานอินเริ่มหยุดก่อนเป็นคนแรกคนที่สองคืออนุชา และแช่ถาเป็นคนสุดท้าที่ต้องหยุดชะงักนิ่งลงด้วยเจ้าตัวใหญ่ทั้งสองตัวหันศีรษะมาทางทั้งสามคนในแนวตรงนั่นยิ่งเท่ากับเป็นเป้าหมายที่เล็กลงไปอีกในมุมแบบนี้เสียงมันสะบัดคออันหนาทึบและหายใจฟืดได้ยินอย่างถนัดสเก็ตโครนที่ติดอยู่ตามบริเวณศีรษะอันประกอบไปด้วยนอนแหลมงอนโค้งขึ้นปริวเป็นฝอยเช่ฐาประทับปืนขึ้นไหลแล้ว เป้าหมายของเขาคือกลางอกนาทึบราวกับหุ้มไว้ด้วยเกราะระดับต่ำกว่าใต้คางที่กำลังแงนของมันนิ้วแตะอยู่ที่ไกรอเวลาที่มันจะแล่นเข้าใส่เท่านั้นส่วนอนุชาและนานอินยังถือในท่าเฉียงปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแต่ก็พร้อมที่จะลดลงมาใส่เป้าหมายได้พริบตาไปดะ ด, ดีถ้าไม่มีเวรมีกรรมกันมาก่อนแถมเมตตาให้แล้วนะโว้ย เสียงนั้นอินพืมพามออกมาอีกครั้งผ่านริมฝีปากอันมีฟันหน้าเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ของแก่น้บัดนั้นลมก็เริ่มโชยพัดมาอีกครั้งสัมผัสกับด้านหน้าของบุคคลทั้งสามเป็นการพัดจากด้านมันมาหาฝ่ายมนุษย์เป็นลมทุ่งอ่อนๆที่พัดในสภาพปกติโดยไม่เปลี่ยนทิศทางมนุษย์ยังคงเป็นฝ่ายอยู่ใต้ทิศทางลม เจ้าทุ่งผู้ไม่เคยประวัติครั่นพรึงต่ออะไรทั้งสิ้นในอานณาจากักรใและมีจักษุประสาทที่เลวที่สุดไม่ยอมเชื่อในสายตาของตนเองยกเว้นแต่เชื่อเฉพาะนาศิกประสาทซึ่งก็ไวสุดยอดเหมือนกันยืนมองดูบุคคลทั้งสามเหมือนมองดูต้นไม้และยิ่งไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวใดๆที่ผิดปกติออกไปมันจึงหมดความสนใจออกวิ่งเอยะๆห่างออกไปทางซ้ายมือ มุ่งเข้าสู่พงรกทึบที่ขวางอยู่โดยไม่ตรงรีเข้าใส่และในที่สุดก็หายลับไปจากสายตาในชั่วไม่นานเชธาลดไรเฟิลลงจากไหลที่ประทับช้าๆทอนใจเฮือกออกมาอย่างโล่งอกอนุชาเล่นนานอินขยับลูกเลื่อนลดนกก่อนจะตบลูกเลื่อนลงตามเดิมแล้วเวียงขึ้นสะพายไหลทั้งสองอดีตบ่าวนายต่างอยู่ในสภาพปกติธรรมดาที่สุด เมือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอนุชาหันมาพยักหน้ากับพี่ชายใหญ่สิ้นเคราะห์คราวหนึ่งไปครับพวกน้อยโบกมือย้อยๆอยู่โน่นแล้วท่าทางดีใจกันใหญ่ที่เราไม่ต้องเปลืองกระสุนเปลืองกระสุนนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องเอาชีวิตออกมาวางไว้เป็นเดิมพันเมื่อตะกี้นี้สิมันไม่เข้าท่าเลยระยะเมื่อตะกี้นี้เผาขนที่สุดท่านัดเดียวไม่อยู่ก็แปลว่าถึงตัวทันที ลุงอินเก่งมากที่ไล่มันไปได้ท่านหัวหน้าคณะบอกอย่างค่อยฟอนคลายความตึงเครียดลงได้บ้างแล้วเปิดกระติกน้ำออกมายกขึ้นดื่มสองสามอึกนานอินหืๆหในลําคอนานอินไม่เก่งถึงกับจะไล่มันไปได้หรอกนายใหญ่ลมที่พัดมาตะกี้นี้ต่างหากที่ช่วยเราไว้ไม่ต้องให้เรายิงมันแล้วก็ไม่ต้องใหเราแหลกเละไปถ้าพลาด แต่นานอินกะระยะแล้วไกลๆจำจี้จำชัยกันแบบนี้ทั้งนายใหญ่และพรานชดไม่มีวันพลาดแน่ตู้มเดียวเป็นสุดยังไม่ทันเข้าถึงตัวเราร้อวิเศษสุดโชคดีจังเลยต่อร้อยเอาหนึ่งฉันว่ามันสองตัวนั่นชาเข้าใส่พวกแกสามคนแน่ใจหายใจคว่มกันอยู่นี่แบบนี้ระพินไพรวันอายไปเลยปรานชด เสียงชายยันดังออกมาจากวิทยุอย่างยินดีประโยคกลางเป็นการพูดสรรพยกักอนุชาอันขณะนี้ทําหน้าที่เป็นผู้นําเดินเสียงเข้าเผชิญหน้ามฤตยูเรื่องขี้ผงไร้าสาระทำเป็นตื่นเต้นไปได้พวกเราอยู่ใต้ลมมันตลอดเวลาและไม่ได้ทําอะไรกระโตกกระตากขึ้นเลยมันก็เลยเบนหัวไปทางอื่นเอาละเดินต่อได้แล้วไม่ต้องหยุดร้อยเสียเวลา มุ่งก็หาเชิงเขาที่เห็นข้างหน้าตามเดิมประเดี๋ยวเราสามคนจะตามไปทันเองพี่กลางคะน้อยดีใจที่พวกพี่ไม่ต้องฆ่าแรตทั้งสาตัวนั่นทําไมจําเป็นจริงๆเกี่ยวกับป้องกันชีวิตหรือหาอาหารประทังชีพแล้วน้อยไม่อยากให้พวกเราต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยในการมาคราวนี้เสียงใสของดารินแวดออกมาจา ก, กลําโพงอีกคนแต่เธอก็ล่อไอไลายเสือตัวหนึ่งแล้วเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมานี้ มันกระโจนเข้ามาจะหมายขยําขมองน้อยนี่คะหรืออยากจะเห็นน้องสาวขมองแหลกไปซสก่อนทำไมไม่ใช้วิธีตกขากางเกงแล้วต่อเพิดไล่มันเหมือนคู่รักของตัวเคยทำละ่ยะยามัวแต่พูดมากอยู่เลยวิทยุควรใช้ยามจำเป็นเท่านั้นฐานสำรองเรามีมาไม่มากนะักบอกให้เดินล่วงหน้าไปก่อนได้แล้วรีรี ร, ร, รอรอกันอยู่นั่นแหละพี่ชายกลางร้องเร่งกาชับไป ไม่มีการพูดการทางวิทยุอีกระยะลิบๆที่มองเห็นพวกของดารินที่ล่วงหน้าไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วเหมือนจะถ่วงเวลาเดินรอช้าลงในขณะที่อีกสามคนก็เร่งฝีเท้าขึ้นไปแล้วชั่วไม่นานก็ตามไปทันกันที่ป่าปโปรง่งบริเวณใกล้เคียงเชิงเขาอันสลับซับซ้อนณทีน่นี้ทุกคนยืนเบิ่งตาตะลึงโดยไม่ได้ปริปลาพูดคำใดออกมาก่อนเลยเพอเมื่อขึ้นมาอยู่บนยอดเนิน ก่อนลงไปยังทุ่งหญ้าอีกช่วงหนึ่งตางแลเห็นร่องรอยของไฟป่าที่มอดดับแล้วเผาไหม้ทุ่งหญ้าและต้นไม้ดำเกรียมมีอนาบริเวณกว้างกลายสุดลูกหูลูกตาเหมือนจะเป็นแนวไฟที่เคยลุกล้อมเชิงคุ้นเขานั้นไว้นานอินกับขยินแล่นลงไปก่อนทันทีเพื่อใหถึงเนื้อที่ส่วนแรกที่สุดของแนวไหม้ของไฟที่ดับมอดไปแล้วส่วนเชษฐาดารินและชัยยัน ใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจดูตามบริเวณอันน่าจะกลายเป็นทะเลเพลิงนั้นด้วยความพิสวงสุดขีดไม่สามารถจะดาวเหตุการณ์อะไรได้ถูกรวมทั้งส่องกล้องขึ้นไปยังบริเวณคุนเขาหินลุนล้วนที่ซับซ้อนกันขึ้นไปสู่เบื้องสูงลิป์ด้านบนซึ่งในอีกระดับหนึ่งของมันที่สูงกว่าแนวทุ่งหญ้าและป่าโปรง่งไฟกินลามขึ้นไปไม่ถึงเนื่องจากมีแนวของป่าหินกั้นไว้นาย ไฟป่ามันเพิ่งไหม้เมื่อสองสมวันมา น, นี่เองเสียงนั้นอินกับขยิณตะโกนบอกขึ้นมาเมื่อก้มลงตรวจดูรอยเท่าของบริเวณอันเคยเป็นทุ่งหญ้า น, นั้นซึ่งบัดนี้แลดูราบโล่งไปหมดด้วยพื้นสีดำสลับสีเทาของกองที่เท่าลักษณะเท่าที่ตรวจดูด้วยกล้องในขณะนี้ทุกคนจะบอกได้ทันทีว่ามันลุกไหม้ลามไปทั่วทั้งทุ่ง และไม้ยืนต้นที่เคยเรียงรายอยู่เป็นระยะซึ่งหนที่สุดก็คงจะโซมมอดดับไปเองเพราะหมดเชื้อที่จะกินลามต่อไปได้แต่ถึงกระนั้นก็เป็นแนวที่กว้างใหญ่เลื้อประมาณคำนวณไม่ถูกว่ากี่ร้อยกี่พันตารางไร่รอบๆตีนเขาชั้นล่างสุดอันห่างออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรเศษเบื้องหน้าส่วนทางปีกซ้ายก็ดีหรือทางปีกขวาของแนวทุ่งก็ดี มันโปร่งโล่งแทบจะสุดระยะของกล้องส่องทางไกลกำลังขยายเจ็ดเท่าทีเดียวไม้ใหญ่บางต้นไม่ไม่หมดเหลือลำต้นดำเป็นเสาฐานยืนอยู่โดดเด่เป็นระยะระยะรีบลงไปดูกันเถอะมันเกิดอะไรขึ้นนี่และทำไมมันถึงจำเพาะมาไหมเอาบริเวณส่วนนี้ส่วนอื่นๆไม่เห็นไหมด้วยเลย เทพาบอกต่ำๆและทั้งหมดก็เคลื่อนลงไปจากเนินป่าโปร่งนั้นทันทีท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าตรงศีรษะและลมทุ่งชายเขาที่พัดมาเป็นริ้วระลอกเศษขี้เถ้าจากร่องรอยเผาไหม้ซึ่งแต่เดิมก็คงจะเป็นพวกแฝกและมวลวัชพืชลอยตลบคลุ้งขึ้นเป็นระยะระยะบางขนาดเศษพงธุรีเหล่านั้นก็ปลิวเข้าตาทาให้แสบมัวฝ่ายนายจ้างทุกคน เอาผ้าพันคอขึ้นมาปิดหน้าอีกครั้งพร้อมทั้งเดินแยกกันออกสำรวจเข้าไปกลางทุ่งสีดำเกรียมเหล่านั้นด้วยอาการพิเคราะห์ไม่มีใครพูดอะไรกันในขณะนี้เลยและเนื่องจากไฟได้กินพื้นที่ไว้โล่งมองเห็นอะไรได้ตลอดระยะกว้างไกลอนุชาจึงโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้เดินตัดเข้าทางเชิงเขาโดยไม่ชักช้าพร้อมทั้งสั่งกำชับให้หาที่ร่ม เพื่อพักตรียมอาหารกลางวันรอคอยไว้ได้ก่อนเลยตนเองนานอินและคณะคงแยกกันเป็นหน้ากระดานเดินตรวจหาไปในทุ่งไฟลามซึ่งมอดดับไปแล้วคะนระยะเวลาว่าไม่น่าจะนานนี้นะักทุกคนใช้วินนิดพิจารณญยานของตนเองไปเงียบๆและได้ความละเอียดละออเต็มที่เพราะแต่ละคนก็หาใช้มือใหม่สำหรับป่าดงพงไพรเลยสักคนเดียว ภาษาราพัสสิ่งที่อุบัติขึ้นในอนาจากใครล้วนแต่เคยผ่านผจนกันมาแล้วอย่างโชคชนทั้งสิน้นทั้งสี่คนและนานอินเดินแยกห่างกันออกไปเรื่อยๆเพื่อจะแสวงหาหลักฐานร่องรอยเท่าที่คิดว่าอาจจะพบได้บ้างในปรากฏการณ์ของพื้นภูมิประเทศอันพโพปรมาเห็นอย่างกะทันหันนี้แต่ละคนบัดนี้เหงื่อออกท่วมกายราวกับอาบน้ำและถึงแม้จะแยกกันออกเป็นหน้ากระดาน แต่โดยทิศทางแล้วก็จะบ่ายหน้าไปรวมบรรจบกับพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วบนตะพักของมอสูงก่อนจะถึงเชิงเขาเกือบครึ่งช่วงเต็มๆในความเงียบที่หนานอินอนุชาเชษฐาชัยยันและดารินเดินลุยค้นอยู่ในทุ่งไม้เกรียมเต็มไปด้วยกองเท่านั้นและได้ใกล้เชิงเขาเข้ามาเป็นลาดับ เสียงวิทยุจากเชษฐาจึงดังเหมือนจะประกาศถามไปยังทุกคนว่าว่ายังไงมีใครได้ร่องรอยอะไรคืบหน้าหรือมีหลักฐานน่าสนใจบ้างไหมอนุชาดารินชายยันยังเงียบอยู่เช่นนั้นไม่ได้ตอบมาคงมีแต่เสียงนานอินเท่านั้นดูแล้วมันก็ไฟป่าธรรมดา น, นี่แหละนายใหญ่อากาศมันแห้งมากที่ดี ก่อนไฟเผามันคงเป็นทุ่งแฝกตายซากรับเชื้อไฟนิดเดียวก็ลามไปหมดทั้งทุ่งแต่มันกินอยู่ในบริเวณที่ล้อมส่วนหน้าของเขาข้างหน้าเรานี่เท่านั้นหลังจากมันมอดดับไปเองแล้วฝนก็ไม่ได้ตกลงมาเลยกลางมีความเห็นอะไรมั่งพี่ชายใหญ่เจอะจงถามไปทางน้องชายกลางบ้างก็คงเป็นอย่างที่ลุงอินว่านั่นแหละครับ ทุกคนเข้าที่พักตรงที่ลูกหาไปรอคอยกันเถอะครับแล้วค่อยคุยกันที่นั่นทางด้านชัยยานไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นแสดงว่าคงไม่พบสิ่งใดน่าสนใจเช่นกันคงออกเดินดุ่มเร่งฝีเท้าหนีเปเลวแดดมุ่งเข้าหาที่พักโดยเร็วแต่ดารินที่ห่างลิฟต์ออกไปทางซีกซ้ายมือของเตีนทิวเขาใหญ่ก้มหน้าดูพื้นและเดินเหมือนจะแยกห่างออกไปทุกขณะแทนที่จะเลี้ยวเข้ามาบรรจบ เหมือนกำลังตามอะไรสักอย่างหนึ่งอีกสี่คนที่เริ่มจะบ่ายหน้าเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วเห็นน้องสาวคนเล็กยังแยกห่างไกลออกไปคนละทิศเช่นนั้นเชษฐาจึงวิทยุเรียกทันทีน้อยนั่นจะไปไหนนะ่ะร่างเคลียวระหงมองเห็นไกลๆขนาดนี้ดูกแกร่งเกินกว่าที่จะเป็นมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริศในขณะ น, นี้หยุดชะงักลงชั่วขณะ ห้าหรือใบหน้าของหล่อนก็ยังมองละอยู่กับพื้นตรงหน้าและแ ล, ะลายไกลออกไปยังเนินขาอีกตอนหนึ่งต่อมาจึงมีเสียงตอบเบาครึมมาทางวิทยุว่าพบรอยเท้าช้างตัวเดียวโดดโดเดเดินตดเดเท่าของแปกเในทุ่งนี้เดเข้าเาเ น, นา เ, น เ, นมมน เ, เนดนนเดเดเดเดเดเดเดเดเมเดเดเดเดเดเดเดเดเมเดเดเดเเดงดเดเดเดเดเดเดเดเดเดเดเดเดเดเมเดดเดาดเดเดเดเดเเดเดเดเดเดนดเเดเดเดเดเ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พบกระดูของราพินก็ขอสั่งให้กลับเข้ามารวมพวกเดี๋ยวนี้อนุชากรอกคำพูดเฉียบขาดลงไปในวิทยุของเขาเมื่อ น, นั้นดารินจึงเบนทิดเดินตัดทุ่งตรงเข้ามาพี่ชายและเพื่อนโบกมือเป็นความหมายให้เร่งเวลาแล้วชั่วไม่นานต่อมาทุกคนก็เข้ามาถึงตำแหน่งร่มไม้ใหญ่ในป่าหินบริเวณเชิงเขาตะพักแกที่พวกลูกหาปงของรอคอยอยู่ก่อนแล้ว ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันทุกคนนั่งหันหน้ามองลงไปยังบริเวณทุ่งหญ้าแห้งที่ถูกไฟเผาอีกครั้งการขึ้นมาอยู่บนที่สูงทำให้มองเห็นสภาพของมันได้ถนัดยิ่งขึ้นปัญหาที่เราจะต้องคิดก็คือไฟไหม้ทุ่งแฝกนี้เมื่อไหร่กันแน่ภายหลังหรือระหว่างที่เราพินกลับคณะเดินผ่านมาในช่วงแรกนี้เขาจะต้องผ่านทุ่งแฝกนี้แน่นอนไม่ใช่หรือ ผู้เปรยทําลายความเงียบขึ้นคือเสนาทิการของคณะคุณชายเชษฐามีอยู่สองกรณีเท่านั้นครับเท่าที่ผมคิดน่าจะเป็นระหว่างที่ผ่านมาหรือมิฉะนั้นก็ภายหลังที่ผ่านไปแล้วไม่นานนักเพราะถ้าเขาผ่านไปทีหลังเราน่าจะเห็นรอยการเดินของพวกเขาไปตามกองที่เท่าชัดเจนทีเดียวแต่นี่ไม่ปรากฏวิแววร่องรอยอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งคํานวณระยะเวลาของไฟไหม้บริเวณนี้ ก็น่าจะเป็นเวลาที่ระพินออกจากห้วเสือร้องมาถึงพอดีมันใกล้เคียงกันเหลือเกินต้นไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนี่ชายยานเอ่ยขึ้นบ้างเดายากแต่มันก็มีสาเหตุได้ง่ายๆเหมือนกันแหล่งไฟครั้งแรกอาจเกิดขึ้นจากกอไผ่แห้งเสียสีกันแล้วลุกขึ้นในที่สุดก็ลามลมทุง่งหรือมิฉนั้นเพียงแค่มีใครสักคนในคณะของราพินสะเพ่า ทิ้งก้นบุรีลงบนกองแฝกแห้งพอพวกตัวเองเดินพ้นไปแล้วพอลมพัดมันก็ลุกลามขึ้นทันทีและที่มันไม่เฉพาะในทุ่งไม่ได้ลามมาถึงบนนี้ด้วยก็เพราะมีป่าหินขวางกั้นไว้ลูกไฟปลิวมาไม่ถึงประกอบกับทิศทางลมในขณะนั้นด้วยที่ไม่ได้พัดเข้าหาทางด้านเนินเขาแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนของฝ่ายราพินจะต้องผ่านพ้นบริเวณนี้ไปได้ คงไม่มีใครเซ่อซ่ซยอมให้ไฟครอบตายอยู่ในทุ่งหรออนุชาบอกอย่างใครีครวนลึกซึ้งพวกเจ้านายอย่าห่วงถึงไฟมันจะเกิดตอนที่นารพินเดินผ่านแกก็ต้องเอาพวกนั้นรอดไปทุกคนได้นั่นแหละไม่ดูน่ากลัวน่าคิดเหมือนตอนที่เราไปพบภูเขาถล่มใกล้ๆเนินสักดำนั้นอินบอกมาอีกคนหนึ่งอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมเชษถามองไปทางน้องสาวคนเล็กซึ่งนั่งเบ้มริบปีปากนิ่งอยู่ หล่อนครื้มและเครียดลงทุกขณะตามวันเวลาและระยะทางที่ผ่านม า, าเท่ากับความมุมาณนะทระหดขาดใจสุดติ้นทีเดียวน้อยว่าพบรอยตีนช้างบนพื้นขี้เถ้าค่ะเจ้าด้วนแน่แน่บ่ายหน้าไปทางโน้นล่อนต่อแผ่วเบาชี้มือไปยังเนินเขาห่างออกไปอีกด้านอย่าเพิ่งไปสนใจกับมันก่อนเลยถ้าเป็นเจ้าด้วนจริงไม่ช้าก็เร็วมันคงโผล่มาให้เราเห็นแน่ๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันออกเดินทางล่วงหน้าผ่านทุ่งแฝกไหมนี่ไปก่อนเราว่าแต่ตัวเดียวหมายถึงรอยตีนของช้างตัวเดียวแน่หรือแน่นอนค่ะไม่มีรอยอื่นๆปะปนด้วยเลยและร่องรอยก็กยกๆนี่เองขนาดพื้นที่เท่าที่มันเหยียบลงไปยังเป็นแง่มุมอยู่พอเอานิ้วแตะขอบของรอยก็สลายตัวร่วงลงถ้าเดินไปก่อนหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน รอยมันจะไม่ประทับไว้บนพื้นขี้เท้าสดๆร้อนๆแบบนี้ตาไวเป็นพิเศษเลยน้อยนี่ชัยยันว่าทางพวกชันสามคนรวมทั้งลุงอินไม่พบวี่แววอะไรสักอย่างนอกจากรอยเท้ากับตอไม้ถูกไฟกินเป็นดุ้นฐานรอยสัตว์อื่นๆก็ไม่พบแสดงว่าไม่มีสัตว์อะไรย่างกลายเข้ามาแถวนี้เลยหลังจากไฟสงบลงแล้ว จะหาเศษชิ้นส่วนข้าวของอะไรของพวกนั้นตกหล่นอยู่บ้างก็ไม่พบเลยว่าแต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพวกเขาผ่านมาทางทุ่งแฝกนี้เป็นไปได้ไหมที่รพินจะนําเบี่ยงไปทางอื่นก็จะเบี่ยงหรือบ่ายทิศ ท, ทางไปทางอื่นเขาจะต้องมาเริ่มต้นเอาที่เชิงทิวเขาอันขวางหน้าอยู่นี่ก่อนเพียงแต่ว่าจะตัดทุ่งแฝกเข้าหาในมุมหรือองศาที่เท่าใดเท่านั้นรอยไฟไหม้ทุ่งมันกลบลบ ร่องรอยพวกเขาหมดแล้วแล้วอดีตพรานชดก็หันมาทางเชษฐาบอกด้วยเสียงลึกว่าตรงนี้แหละครับพี่ใหญ่ที่เราจะเริ่มต้นเลิกสแสวงหาร่องรอยของเขาแล้วและจะใช้วิธีอ่านใจคำนวณทิศทางไปของระพินเพื่อออกก้าสกัดกันละ่ะเพราะจะเอาแต่สาวรอติดหลังไปเรื่อยๆอย่างเดียวเหมือนแต่แรกไม่ทันแน่มันต้องเสี่ยงกันดูแล้ว ถ้าเรามีเจตนาว่าจะสกัดเขาให้พบเพื่อเอาตัวกลับไม่ใช่ตามไปจนกว่าจะพบหลุมฝังศพของเขาพี่ชายใหญ่ก้มหัวลงตกลงเอาไงเอากันเราวางแผนกันไว้ก่อนแล้วนี่ว่าในนรกดานี่เราจะใช้วิธีดักสกัดกันไม่ใช่มัวคอยตามทับรอยอยู่และการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ขอยกให้เป็นหน้าที่ของเธอกับนานอินก็แล้วกัน ลังอาหารกลงางวันซึ่งกินการพอประทังชีพและนั่งพักเหนื่ออีกเล็กน้อยอนุชาเรียกนานอินและขยินเข้ามารวมหัวปรึกษาหาหรืออะไรกันอยู่เบาๆเชษฐาชายยันและดารินใช้กล้องส่องทางไกลส่องสำรวจขึ้นไปบนทิวเขาที่ขวางเป็นกำแพงอยู่อันส่วนมากล้วนเป็นภูเขาหินมากกว่าที่จะมีพืชพผานต้นไม้ใหญ่ขึ้นมันซ้อนกันอยู่หลายทิวและทิวเบื้องหลังเข้าไป ก็สูงตระหง่านเสียด ฟ, ฟ้าขึ้นไปเป็นลำดับดูโดดเดี่ยวเปลียววังเวงอย่างไรบอกไม่ถูกเสียงลมบายพัดผ่านช่อชั้นโปร่งแง่ดังอยู่วิวหิวณตำแหน่งที่พักชั่วคราวกันอยู่นี้มีป่าโปรง่งไม้ยืนต้นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อไปก็จะเริ่มเป็นตะพักแง่หินที่มีระดับสูงขึ้นไปทุกขณะเปลวแดกระทบแก่งแง่หินเป็นประกาย ร, ย, รยิบยับ และมองเห็นไอความร้อนที่ระเหยออกมาอากาศไหวริ้วเป็นระลอกแต่ละแง่มุมเหล่านั้นเพียงแค่ <K> ช่วงค่นวันที่ปลาออกจากคุวยเสือร้องมาทุกคนก็มีความรู้สึกว่าได้เข้ามาเผชิญอยู่กับโลกซีกส่วนที่ร้างจากมนุษยชาติแล้วสภาพเช่นนี้ทุกคนประสบมาก่อนแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาพบเห็นกับมันอีกเพียงแค่ <K> มองดูก็เห็นชัดๆว่า มันเป็นแดนมรณะของมนุษย์เดินดินธรรมดาทั่วๆไปนรกดำที่รักในที่สุดเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วเสียงชายยานพูดขึ้นลอยๆส่งจูบให้แก่ขุนเขาทมึนปานอสูรยากที่ขวางหน้าอยู่นั้นถ้ามันตอบเธอได้มันคงจะตอบว่านารกดำขอต้อนรับเจ้ามนุษย์หน้าโง่ผู้บังอาจทั้งหลายและเราได้เตรียมมรณาการไว้ให้แก่เจ้าแล้ว ดารินเอ่ยขึ้นลอยๆด้วยเสียงแผ่วบางเช่นกันขณะที่รีตามองขึ้นไปยังยอดเขาสูงลิบๆกลางระอุไอแดดนั้นทุกคนที่มานี่ก็ล้วนแล้วแต่ศิษย์มีอาจารย์ทั้งนั้นอย่างน้อยก็มหาราษีโกนธัญญะและนรกดำก็เคยถูกพวกเราเปิดออกไปแล้วเสียงดังแช่มช้าแวววมาจากเบื้องหลังเป็นเสียงของเชษฐา อนุชาดูเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายของคณะฝ่ายเจ้านายที่ล้วงกล้องส่องทางไกลออกมาส่องสำรวจทิวเขาที่กั้นอยู่เบื้องหน้าโดยสังเกตยอย่างถี่ถ้วนไปแต่ละช่องชั้นเขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรทีเดียวกว่าจะลดกล้องลงแต่ยังมองตาเปล่าอยู่ตรงชะ ง, งนด้านบนอันมีลักษณะเหมือนนกอินทรีผ ง, งาดปีกและดีดนิ้วเรียกพรานเท่าคู่ใจเข้ามาใกล้ก่อนที่เราจะบุกบานไปได้วยกันครั้งนั้น ลุงเป็นพรานคนเดียวท่ท่องเที่ยวตะเวนอยู่ในป่า ด, ดามนี้มาก่อนใครทั้งสิ้นก่อนรพินส์อีกลุงเคยผ่านเขาเทือกนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยพรานชดนั้นอินเคยผ่านเลียบเชิงเขาแล้วอ้อมวกไปทางด้านหลังจะไปทางด้านขวามือนี่ก็ได้หรือจะไปทางฝั่งซ้ายมือเลียบชายเขาไปเรื่อยๆก็ได้มีทางทะลุเข้าถึงดงทึบที่อยู่หลังเขานี้ ครูพรานเท่าตอบด้วยเสียงเรื่อยๆตามนิสัยอันเยือกเย็นและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กไปหมดเคยตัดข้ามเคยไต่ขึ้นไปบนทิวเขานี้บ้างไหมระหว่างผู้มีฐานะเป็นมัรุเทศนำทางทั้งสองพูดกันทุกคนสะดับฟังอยู่ด้วยแก้สายหัวช้าๆนานอินเคยพยายามขึ้นเหมือนกันเมื่อ20กว่าปีมาแล้วตอนที่ยังหนุ่มกว่านี้ แต่ไต่ขึ้นไปได้ครึ่งเดียวก็ไม่ไหวเสแล้วหนทางลำบากและชันมากหินทุกก้อนร้อนราวกับมีไฟสุมอยู่ข้างใน ย, งยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งร้อนอย่างกับกระทะทองแดงแล้วหนานอินก็เป่าลมออกจากปากบอกเบาๆต่อไปว่าขนาดอยู่ตรงนี้ยังร้อนแทบดับจิตนาาไม่รู้สึกบ้างเหรอจริงตามที่หนานอินพูดทุกคนรู้สึกอบอ้าวผิดปกติ เ, ง, เงื่อออกซึมไม่หยุดแม้จะพยายามเช็ดซับเท่าไหร่ก็ตามถ้างั้นลุงก็ไม่เคยรู้ว่าบนนั้นลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนันอินไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยขึ้นไปไม่รู้จะขึ้นไปทํำไมพระทุโดงเคยบอกนันอินไว้ว่ามันมีไฟอยู่ใต้ภูเขายอดที่เห็นอยู่นี่สักพันสองพัปีมันก็จะพ่นไฟออกมาสักทีหนึ่งตรงยอดที่มองเหมือนสันหลังของรูปนกอินรีนั่นแหละ มันเป็นแดนของสางหาสางหาเทษฐาชัยยาละดารินอุทานออกมาพร้อมๆกันรู้สึกจะคุ้นคุ้นหูเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมันอะไรที่ลุงเรียกว่าสางหาเนะีะนานอินหอไหลยิ้มเลี้ยนๆนานอินเองก็ไม่เคยเห็นจังๆสักทีเคยเห็นแต่รอยเลื้อยไปของเข า, ไ ม, าไม่ว่าเขาจะเลื้อยไปที่ไหนๆพื้นที่ เาเลื้ยผ่านไปจะไม่เกรียมราวกับถูกไฟเผาเป็นทางไปทีเดียวพระทุโดงบอกว่าเป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งมีตีนสั้นๆอยู่สี่ตีนเดินไปก็ได้ถ้าอยากจะเดินแต่ถ้าจะไปเร็วเขาก็จะเลื้อยไปใครพบเข้าก็ตายทุกรายไปส่วนจะตายยังไงท่านก็ไม่บอกไว้ให้รู้ท่านบอกว่ามนุษย์บาปหนาะเท่านั้นที่จะพบสิ่งนี้ นั้นอินคิดว่าพวกเราอย่าพบเขาได้จะดีที่สุดทุกคนอึ้งไปชั่วขณะแล้วดารินก็มองไปทางพี่ชายใหญ่กระซิบว่าพี่ใหญ่พอจะนึกออกแล้วหรื อ, อยังคะว่าพวกเราเคยได้ยินชื่อชนิดนี้จากไหนมาก่อนแล้วเชษฐาเอามือลูบคางมันติดชะ ง, งักอยู่ในสมองนี่เองยังนึกไม่ออกว่าได้ยินชื่อปรลาลาชนิดนี้มาจากไหนแต่เคยได้ยินแน่ฉันก็เหมือนกัน แต่ให้ตายเถอะคำนี้มันมาอยู่ในสมองหรือความทรงจาของเราได้ยังไงหนอะน้อนจะบอกให้ก็ได้ค่ะทุกคนอาจลืมไปสมหมดแล้วชื่อนี้กอรพินนั่นแหละเคยเป็นคนพูดให้เราฟังซึ่งในขณนะนั้นเราฟังเป็นเรื่องขบขันสำหรับน้อยได้ยินครั้งแรกก็ด่าเขาเลยว่าเขาประชดแดกดันพูดคำหยาบกับเราสาเหตุที่เขาเอ่ยถึงสางห่า ก, ก็เพราะเหตุการณ์ที่เราเคยเผชิญกับไอ้มนุษย์กินคนเผาสางเขียวยังไงล่ะคะ มีใครในพวกเรานี่แหละจะเป็นน้อยหรือเปล่าไม่ทราบได้ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องสสงถามเขาว่านอกจากสางเขียวแล้วมันจะมีสางประเภทไหนอีกเขาก็บอกว่าสสงหาดูเหมือนน้อยจะด่าเขาด้วยแต่เขาก็อธิบายให้เราฟังแบบเดียวกับที่ลุงอินบอกกับเราอยู่ยกๆนี่แหละตอนนั้นน้อยคิดว่าเป็นการพูดแบบแก้เกี่ยวของเขาเสมากกว่านี่เรามาได้ยินชัดกับหูออกมาจากปากลุงอินเอง ทังเชิดฐานและชยัยยานดีดนิ้วขึ้นพร้อมกันเออจริงพระพินเคยเอ่ยนามนี้ให้เราฟังมาก่อนแล้วในสมัยนั้นแต่เราคิดว่าเขาพูดเล่นสนุกสนุกเสียมากกว่าในป่าแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องอันตรายนายระพิน์แกจะไม่พูดอะไรเล่นสนุกสนุกร้องพรานอาชีพทุกคนจะไม่พูดอะไรเป็นการโกหกขนองปากถึงแกจะไม่เคยพบมาก่อนแกจะต้องเคยได้ยินจากครูพรานหรือพระธุดงที่มีฌานชั้นสูง บอกเล่าให้ฟังเจ้านายทั้งหลายก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าในนรกดำมันมีอะไรต่ออะไรได้สารพัดที่คนทั่วๆไปไม่เคยพบเคยเห็นน้านอินพูดแผ่วตาทุกคนเงียบกันไปอีกอนุชาจึงเอ่ยขึ้นช้าๆว่าผมสังเกตดูแล้วลักษณะ ย, ยอดที่เป็นรูปนกอินทรีนั่นน่าจะเป็นยอดของภูเขาไฟที่เคยพ่นลาวาออกมาก่อนแล้ว และอาจพ้นออกมาอีกแน่ๆคนข้างหน้าแต่จะใช้เวลานา น, านสักเท่าไหร่ไม่ทราบได้ถึงผมจะไม่ใช่นักธรณีวิทยาก็พอจะมองออกจากประสบการณ์ว่าชะ ง, ง่อนแง่หินที่ต่ำลงมานั่นมันเป็นซากของหินละลายเกิดจากลาวาเย็นตัวลงส่วนจะนานสักกี่พันกี่หมื่นปีไม่ทราบได้และแกคิดยังไงสมมติว่าระพินกับคณะมาหยุดกันอยู่ที่เชิงเขานี้เหมือนเรา เขาจะนำคณะขึ้นปีนตัดขึ้นยอดเขาบริเวณนี้ไหมชายันถามอนุชานิ่งคิดไม่อาจตัดสินใจอย่างไรถูกแต่น้นอินบอกด้วยเสียงเรียบๆของแกว่านานอินรู้จักนิสัยของนายรพินดีแกเป็นคนระหามดีเดือดอยู่ไม่น้อยคงตัดขึ้นยอดเขาอินซีนี้แน่ๆโดยหวังย่นระยะทางถ้าหากว่าจะบ่ายหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นไปในแดนของสัตว์อันตรายที่เรียกว่าสางหานั่นหรือชายยันถามโดยเร็วเบิกตาโตจะสางหา์าสางเหรอะไรนารพินแกไม่กลัวหรอกนานอินเองก็เชื่อว่าตัวเองดีมีวิชาแล้วแต่นารพินมีดีกว่านานอินเสอีกทั้งเวทมนต์คาถาทั้งของดีคุ้มตัวสารพัดชนิดแกเคยกลัวอะไรซึเมื่อไหร่กลัวอยู่อย่างเดียวการเสียคําพูดเสียสัจจะ ถึงนานอินจะแก่กว่าแกมากจะเดินป่ามาก่อนแกแต่ก็ยอมรับว่าสายเวทอาคมกริจญา์แล้วนานอินสู้แกไม่ได้หรอกตาบากของแกก็เหนือกว่านั่นเป็นการสารภาพกันอย่างจริงใจแล้วลุงเชื่อหรือว่าระพินจะนำพวกนั้นตัดขึ้นเทือกเขาอันตรายที่เราเห็นอยู่นี่ดารินถามเกือบจะเป็นกระซิบนานอินเชื่อนานอินสังหรณ์อย่างนั้น เขาไม่ได้ไปคนเดียวนะยังมีคนอื่นๆอีกชายยันร้องเสียงสูงครูพานหัวร้ะงคือๆในลำคอใครก็ตามที่ไปกับนายราพินถ้าแกคุ้มครองไม่ได้แกก็ไม่พาไปรอกแกต้องดูเรือดูยามของแกแล้วว่าเอาขึ้นไปได้ทั้งหมดแกถึงจะนำขึ้นเจ้านายน่าจะรู้จักนายราพินดีกว่าหรืออย่างน้อยก็เท่าๆกับนานอินรู้จัก ทางด้านเราจะเอายังไงในเมื่อเชื่อกันแน่แล้วว่าระพินนําตัดขึ้นยอดอินซีนั่นเราเสี่ยงปีนภูเขาไฟอย่างเขาไม่ได้หรอครับผมหารือกับลุงอินแล้วระพินใช้วิธีตัดเส้นทางอย่างหักหานแต่เราจะใช้วิธีอ้อมดักอาจใช้เวลาช้ากว่าเขาไปบ้างแต่ปลอดภัยมากกว่าที่จะไ ป, ปะเผชิญอันตรายที่เราคาดไม่ถึงบนนั้นผมเองก็ไม่มีวิชาอาคมอะไรลุงอินก็ยอมรับอยู่แล้วว่ายังไม่ถึงขั้นระพิน แต่ระพินก็ชำนาญเส้นทางด้านนี้น้อยกว่าลุงอินโอกาสของเราจึงอยู่ในข้อได้เปรียบคนละอย่างจากที่นี่เราจะเริ่มต้นกันยังไงเชษฐาสรุปการตัดสินใจอ้อมเลียกเชิงเขานี้ไปทางด้านซ้ายมือก่อนครับตัดทางเข้าซอกเขาที่เตี้ยที่สุดมุดลอดโปรง่ง่ามกันบ้างสองสาช่วงแล้วเราจะพบกับทานน้ําตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาของขุนเขาเทือกนี้แหละ ระพินจะต้องมุ่งเข้าหาแหล่งน้ําเป็นระยะๆะะไปตามปกติธรรมดาของการเดินป่าเพราะถ้าขาดน้ําก็เดินต่อไปไม่ได้เราก็จะคอยดับตามแหล่งน้ําแต่ละแห่งไปไเรื่อยๆโดยตั้งเข็มบ่ายขึ้นตะวันออดเฉียงเหนือตลอดเชื่อว่าคงจะเจอกันไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแน่ๆผมแน่ใจว่าไม่ว่าจะใช้วิธีลัดทางสักขนาดไหนคณะของเขาจะต้องบ่ายหน้าไปทางด้านตะวันออดเฉียงเหนือแน่ๆ ถ้างั้นเคลื่อนที่ได้แล้วเชษถาสั่งขบวนทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางต่อไปโดยทันทีในครั้งนี้นานอินทำหน้าที่เดินนำไปเบื้องหน้าตามแนวโขดหินเรียบตีนเนินนั้นโดยตีวกไปทางด้านซ้ายมืออันเป็นทิ่ตะวันตกก่อนเพื่อจะหาทางหมุนกลับมาทางตะวันออกโดยมุ่งจุดหมายปากถ้าแห่งหนึ่งอันนานอินเรียกว่าถ้ำนาคราช ซึ่งจะชอนเข้าใต้เขาย่อมๆลูกหนึ่งซึ่งแกอ้างว่าคุ้นเคยกับเส้นทางมาก่อนขณะนั้นเป็นเวลา14นาฬกาพอดีขณะที่ต่างเริ่มเคลื่อนตามการนําของนานอินไปดารินมีอาการภวะผวั า, าวเลี้ยวกลับมาสังเกตดูเบื้องหลังอยู่บ่อยครั้งและแทนที่จะก้าวรุดไปเบื้องหน้าตามปกติวิสัยของหล่อนกลายมาเดินอยู่กับขบวนลูกหาที่ล้าหลังสุดอันมีขยินเป็นคนคุมอยู่ นายหญิงเป็นอะไรไปเจ้าอาดีตนายบ้านหล่มช้างเดินเคียงเข้ามาถามหล่อนฝืนยิ้มให้ปฏิเสธว่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรรอ้องขยินแล้วทำไมนาหญิงไม่เดินไปข้างหน้ากับพวกเจ้านายหล่อนไม่ตอบแต่คงเดินเดินหยุดหยุดและเหลียวหลังกลับอยู่เช่นนั้นทางด้านหน้าระหว่างพี่ชายสองคนกับเพื่อนสังเกตเห็นอาการของน้องสาวคนเล็กอยู่แล้วต่างรู้สึกไม่สบายใจนะ ทั้งเชิดฐานและชายยันบนอะไรพึ่มทำท่าจะหยุดรอแต่อนุชาพยักหน้าบอกให้ทั้งสองเดินรุดหน้าตามหนานอินไปตามปกติไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจัดการเองอดีตพรานชดบอกกับพี่ชายใหญ่แล้วทอดฝีเท้าลงปล่อยให้คนอื่นๆเดินเฉียดผ่านหน้าไปตามลำดับโดยตนเองหยุดรอคอยอยู่ทั้งเชิดฐานและชายยันไม่ทักท้วงหรือกล่าวอะไรอีกเพราะรู้ดีว่า บุคคลที่สามารถจะทำความเข้าใจกับดารินได้มากที่สุดในป่าเช่นนี้ไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับอนุชาจึงทิ้งให้เป็นหน้าที่ของเขาที่สุดในการเดินล้าหลังคอยเหลียวดูหลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีขยินคอยเป็นเพื่อนอยู่นั้นดารินก็เดินผ่านตอหินใหญ่ที่พี่ชายกลางยืนดักรอยอยู่ก่อนแล้วหล่อนคิดไปไม่ถึงเว้นกันว่าเขาจะทิ้งช่วงระยะการเดินทางจนให้หล่อนผู้ล้าหลังเดินมาถึง โดยเข้าใจว่าป่านนี้คงเดินรุดหน้าเร่งรีบกระชันชิดไปกับนานอินแล้วกว่าจะรู้สึกตัวมองเห็นพี่ชายกลางก็ก้าวเข้ามาสกัดหน้าไว้จับต้นแขนย่ามัวห่วงเจ้าด้วนอยู่เลยน้อยไปตามทางของเราดีกว่าพี่ชายเอ่ยขึ้นต่ําๆยังรู้เท่าทันในความคิดน้องสาวยิ้มจืดๆกระดกปลายลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากยังมองหลังอยู่เช่นนั้นและหยุดยืนเอาดื้อไม่ยอมเดิน ตอนที่สำรวจพบรอยในทุ่งน้อยเห็นมันเดินมุ่งเข้าหาเชิงเขาด้านซ้ายมือแต่เวลาเราจะคืบหน้าต่อไปทำไมเราถึงอ้อมเชิงเขาไปทางด้านขวาละคะทำไมไม่เดินไปตามรอยของมันมันอาจบอกใบ้ชี้ทางให้แกเราก็ได้พี่ชายกลางโครงสีสาชา้าพยายามพูดปลอบโยนขณะนี้เราต้องเชื่อห น, นานอินมากกว่าเจ้าด้วนนะน้อย และถ้าน้อยแน่ใจว่ารอยช้างที่เดินตัดทุ่งที่น้อยพบเป็นรอยของเจ้าด้วนจริงก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรและถ้ามันคิดที่จะติดตามขบวนของเราไปจริงไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องตามมาหรือมิฉะนั้นก็ไปดักหน้าให้เราเห็นในเส้นทาง ท, างที่เราจะเดินไปไม่ว่าทางไหนทั้งสิ้นช้างมันไม่หลงป่าร้อกและเดินเร็วกว่าเรามากนะักพี่ขอย้าอีกครั้งไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเจ้าด้วนของเธอ ห่วงตัวของพวกเรากันเองดีกว่าเพราะเราเป็นมนุษย์มันเป็นสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่เสยด้วยมันได้เปรียบกว่าเราในทุกกรณีในอาณาจักรพงไพรเธอทําเสีย้ยอย่างกะจะห่วงลูกแง่ที่เดินหลงไปงั้นแหละกล่าวจบคุณชายกลางก็ุดแขนน้องสาวให้เดินเคียงคู่ไปด้วยกันทั้งที่ดารินยังก้าวไปอย่างอิดเอื้อนรีรี ร, ร, รอรอไม่สู้จะเต็มใจนกะน้อยเชื่อพี่กลางกับลุงอินค่ะ ในการเลือกเส้นทางตั้งแต่เราเหยียบย่างเข้าป่าดำนี่แต่ขอให้น้อยรู้เหตุผลสักนิดได้ไหมว่าเส้นทางเดินมันก็มีแยกไปได้ทั้งสองทางจะไปทางด้านขวามืออ้อมตีนขาที่เรากำลังเดินอยู่นี่ก็ได้หรือจะแยกไปทางด้านซ้ายมือทิศทางที่เจ้าด้วนมันบ่ายหน้าไปก็ได้แล้วทำไมเราถึงจะต้องไปทางด้านขวาทางด้านขวานี่จะเป็นหนทางที่ลุงอินรู้เส้นทางชนานาญดีกว่า ทางด้านขวาจะลัดทางย่นระยะได้มากกว่าถ้าไปทางด้านซ้ายซึ่งก็มีทางไปได้เหมือนกันแต่มันจะอ้อมมากหรือเกินนี่คือเหตุผลดารินจำต้องจำนนตต่อเหตุผลของพี่ชายแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีพูดเหมือนรำพึงสมมุติว่าเราไม่ได้พบมันอีกเลยพี่ขอย้ำถามน้อยอีกสักครั้ง้ดยกำลังตามใครรพีหรือเจ้าด้วน อนุชาเน้นเสียงถามเจ้องหน้าน้องมีความเชื่อมั่นว่ามันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันนะคะจริงละ่ะเราทุกคนตามระพินแต่สังหรหอหรือประสาสัมผัสส่วนที่หกบอกกับน้อยว่าเจ้าด้วนนี่แหละมันจะเป็นผู้นําน้อยให้ไปพบกับระพินศาสตร์ต่อให้ประเสริฐแสนรู้และมีสัญชาติยานเป็นมิตรสแค่ไหนมันก็ไม่รอบรู้และฉลาดไปกว่ามนุษย์ได้หรอกประเด็นนี้มันจึงขึ้นอยู่กับว่า น้อยจะเชื่อฝ่ายใดระหว่างพี่และลุงอินกับเจ้าด่วนซึ่งมันก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอย่างใดเลยว่าจะนำทางหรือชี้ทางอะไรให้แก่เราแน่นอนลงไปน้อยเพียงแค่เห็นร่องรอยของมันว่าได้ล่วงหน้าเข้ามาในเขตป่าดำนี่เท่านั้นและพี่บอกน้อยแล้วยังไงว่าถ้ามันยังคิดที่จะเป็นเพื่อนไปกับเราทุกระยะโดยไม่แยกตัวไปซก่อนถึงเราไม่เดินตามมันไป มันก็จะต้องเป็นฝ่ายตามเรามาเองมันจะไม่แยกไปจากเราแน่นอนคะ่ะไม่งั้นมันจะล่วงหน้าเข้ามาในป่าดำเหมือนจะเป็นการนำทางให้แก่เราทำไมถ้ามันจะแยกไปก็ควรจะแยกตั้งแต่ห้วยเสือร้องแล้วความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างอันไม่สามารถอธิบายได้ทำให้หล่อนโต้แย้ง ท, งทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพี่ชายกลางไม่อาจรับฟังได้ นอแน่ใจหรือว่ารอยที่พบในทุ่งไฟลามหรือทุ่งขี้เฒ่านั้นนะ่ะเป็นรอยของไอ้ด้วนแน่นอนไม่ใช่ช้างโทอนตัวอื่นๆแน่ใจที่สุดคะ่ะมีอะไรทําให้แน่ใจรอยเท้าช้างมันก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าขนาดของมันเท่ากันไม่ใช่เหตุผลในข้อ น, นั้นที่ทําให้น้อยวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าด้วนแต่รอยลากขาข้างหนึ่งของมันขาข้างที่ขนเม่นตำเอาไว้ยังไงล่ะคะ พี่กลางลืมไปซะแล้วหรือขา์ดข้างนั้นเหยียบพื้นไม่ถนัดนะแม้ว่ามันจะข้อ ย, ยังชั่วมากแล้วก็ตามคราวนี้พี่ชายกลางเป็นฝ่ายจํานวนต่อเหตุผลของหล่อนบ้างในด้านที่น้องสาวแน่ใจว่าเป็นรอยของเจ้าช้างป่ากเกเรแต่แปรสภาพมาเป็นมิตรกับดารินอย่างประหลาดตัวนั้นและขนาดนั้นเองระหว่างที่เดินปิดท้ายกระบวนการห่าง สองคนพี่น้องต่างก็มองเห็นหัวขบวนซึ่งห่างออกไปราว30เมตรเบื้องหน้ามีอาการหยุดชะงักมีอาการตื่นและเตรียมพร้อมอย่างเห็นชัดเสียงพูดกันจอกแจกดังแว่วแววมาดารินกับอนุชามองหน้ากันแล้วเร่งฝีเท้าเกือบจะเป็นวิ่งเหาะตามขึ้นไปทันทีแล้วเสียงวิทยุจากนานอินกลับดังออกมาจา ก, กลาโพงของวิทยุทุกคนอันเปิดเตรียมพร้อมไว้น้ําเสียงของแกตื่นเต้นรุกรน และประกาศเรียกไปยังเจ้านายทุกคนโดยไม่จำกัดว่าจะพูดกับใครโดยเฉพาะนายไอเวนด้วนโผล่ออกมาดักขวางอยู่ข้างหน้า น, นูนท่าทางมันพิกลอยู่เกือบจะซัดให้แล้วดีว่าได้ยินเสียงกระดึงที่ผูกคอไว้ดารินกับอนุชาออกวิ่งในทันทีตัดขบวนลูกหาบขึ้นไปโดยเร็วส่วนเบื้องหน้าเชษฐากับชัยยันก็กาลังสาวเท้าฉับฉับตรงเข้าไปยังครูผู้เท่า ซึ่งบัตรนี้ยืนนิ่งจ้องเขม็งไปเบื้องหน้าท่ามกลางป่าหินระเกะระกะพวกลูกหาบนั้นสะดุ้งกันอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงร้องแปรนออกมาครั้งหนึ่งแต่เมื่อซักถามกันได้ความว่าช้างใหญ่ที่ปรากฏตัวดักขวางอยู่เบื้องหน้าคือเจ้าด้วนต่างก็คลายความตระหนกพากันหาบของเดินตามเลี้วขึ้นมาทุกคนของฝ่ายนายจ้าง บัดนี้แล่นมาถึงตำแหน่งที่นานอินยืนคเคม่นมองด้วยอาการพินิษแล้วทั้งหมดมองเห็นเจ้าด้วนยืนตรงานขวางดักทางอยู่เบื้องหน้ากัดแก่งชูงวงและโบกหูไปมาพื้นผับอาการของมันหมุนหันรีหันขวางแต่ไม่ยอมหลีกออกข้างทางยังคงขวางเป็นกำแพงอยู่เช่นนั้นทุกคนมองไปที่มันอย่างประหลาดใจดารินทลาวิ่งออกไปเบื้องหน้าพร้อมกับตะโกนเรียกสุดเสียงอย่างดีใจ จะเข้าไปหาแต่เชิถาคว้าไหล่ไว้ทันกระชากใ ห, หยุดเดี๋ยวพึ่งเข้าไปน้อยหยุดก่อนนั่นเจ้าด้วนแน่ๆค่ะเจ้าด้วนของน้อยมันโผล่ออกมาแล้วน้องสาวร้องลั่นอย่างดีใจขีดสุดตะโกนเรียกมันอีกครั้งคราวนี้ป่าหินสะเทือนเลื่อนลั่นร้วเสียงแผดกล้องของมันจนทำให้ดารินเองก็แทบพงะหลังยืนขมวดคิ้วจ้องใช่เจ้าด้วนแน่ แต่ท่าทางมันพิกลอยู่นะมาขวางดักหน้าท่าทางผิดสังเกตแบบนี้ดูท่าทีมันก่อนน้อยชายยานพูดเร็วปรือโปลดไรเฟิลออกจากไกเตรียมพร้อมอย่างไม่ประมาทมันไหวตัวสะบัดหัวอยู่ไปมาแล้วแงนเงยขึ้นเสียงกระดึงที่ผูกคอไว้เป็นสัญญาณลั่นโกรกเกร็งกระทบกลากไม้ไผ่ได้ยินอย่างถนัดระยะมันห่างออกไปในพงเทวันเบื้องหลัง โดยห่างจากคณะทั้งหมดประมาณ 20-30 ถึงเมตรจะเป็นช้างอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าด้วนแน่นอนด้วนมีอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือนั่นทำไมถึงมายืนขวางอยู่อย่างนี้ดารินร้องถามออกไปได้วยความพิศวงขีดสุดมันเบี่ยงศีรษะตรงมาทางทุกคนชูงวงสูงแล้วร้องดังลั่นมาอีกครั้งท่ามกลางความเงียบมันอาจตอบคำของดาริน หรืออาจแผดเสียงมาด้วยลักษณะการแบบอื่นไม่มีใครสามารถฟังเข้าใจได้รู้แต่เพียงว่ามันขวางดักทางแน่ๆชนิดจะไม่ยอมให้ใครผ่านมันไปได้อย่างเด็ดขาดเอยุ่งละสิไอเสียงที่ร้องแว๊ดแบบนี้มันฟังไม่เข้าท่าเลยชายยันพูดลอดริมฝีปากออกมาขยับไรเฟิลในท่าเตรียมพร้อมใครอ ย, าย่ายิงหรือทาอะไรมันเป็นอันขาดนะ ฉันจะเข้าไปใกล้กๆมันเองปล่อยค่ะพี่ใหญ่นนอจะเข้าไปหามันหล่อนสะบัดแขนพี่ชายใหญ่ออกมาอย่างเต็มไปด้วยความกล้าหาญมั่นคงไม่ว่าเจ้าดวยจะมีปฏิกิริยาที่ไม่น่าไว้วางใจเช่นไรหล่อนก็ไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดว่ามันจะทำอันตรายอะไรหลอนหรือคณะทุกคนเชษฐาจะร้องห้ามเช่นไรก็ไม่ฟังเสียงเมื่อเห็นว่าจะทัดทานน้องสาวไว้ไม่ได้แน่เชษฐาจึงโบกมือกับทุกคน ยกเว้นพวกลูกหาบซึ่งให้หยุดรออยู่ก่อนแล้วพากันสาวเท้าตามหลังดารินเข้าไปติดๆไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นนานอินเชษฐาอนุชาและชัยยันทั้งหมดแล่นตามดารินเข้าไปเป็นหน้ากระดานพร้อมที่จะลั่นกระสุนได้ทันทีถ้าหาเจ้าด้วนสำแดงอาการอันใดอันหมายถึงจะเป็นอันตรายกับดารินในขณะนี้จากท่าทีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของมัน ราชสกุลสาวแล่นเข้าไปถึงก่อนเป็นคนแรกและเรียกมันตลอดเวลาเจ้าด้วนยืนตระ ง, งานจังก้าโดยไม่ขยับขยืน่นเชิดคอปลายงางงามทั้งคู่เสรยขึ้นและงวงก็ยังชูสูงอยู่เช่นนั้นหลอนเข้าไปจนเกือบชิดในขณะที่ไรเฟิลเบื้องหลังอีกสี่กระบอกประทับอยู่กับไหล่แล้วเตรียมที่จะระเบิดประสานกันได้ทันที จากสายตาที่ไม่ยอมกระพริบของทุกคนต่างเห็นมันลดงวงลงช้าๆแต่อย่างแผ่วเบาที่สุดลงบนไหล่ของหญิงสาวและออกเสียงร้องเบาๆในลำคอในขณะที่หล่อนก็พูดอะไรกับมันเร็วหรือไม่มีปฏิกิริยาว่าจะทำร้ายอะไรทั้งสิน้นแล้วต่อมาก็ใช้ปลายงวงดุนหญิงสาวให้ผงาทถอยหลังออกมาไอ้ด้วนนี่มึงเป็นอะไรไปนานอินตวาดเหนกาออกไปยืนบางหน้า ก็ถูกปลายงวงปั่นให้กระเด็นเซซัๆออกมาอีกคนหนึ่งดูเหมือนจะแรงกว่าดารินและร่างของแกก็หัวสุนมาปะทะเข้ากับเชศฐาและชายันส่วนดารินก็ร้องบอกทุกคนเสิงหลงว่าอย่ายิ่งอย่าทําอะไรมันทั้งสิ้นทุกคนประทับปืนคุมเชิงประจันหน้ากันแบบเพ้าคนเช่นนั้นอย่างงุนงงตัดสินใจอะไรไม่ถูกมันไม่ได้ทาร้ายแต่มันขวางทาง เสียงนานอินดาขามงโชงเฉงแล่นปราดเข้าไปอีกครั้งตะว่าสุดเสียงว่าไอ้ด้วนเลี่ทางเดี๋ยวนี้นะประเดี๋ยวพัสซัดหน้าแงก้นจ้ำเบ้าไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องเกรงใจครูพรานแม้ว่าแกจะมีเวทมนต์คาถาสะกดชางเช่นไรก็ตามเป่าลมจากปลายงวงรวดเข้าไปที่หน้าฝุ่นบริเวณ น, นั้นคลุ้งตลบไปหมดนา้นอินผ ง, งาดหลังกลับมาอีก ทุกคนอยู่นิ่งๆก่อนขอให้ฉันพูดกับมันเองดารินร้องสุดเสียงอยู่เช่นนั้นเพราะกลัวใครในหมู่พวกหล่อนรวมทั้งนานอินด้วยจะระเบิดกระสุนเข้าใส่ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะดารินกัดริมฝีปากแน่นจ้องตาอันเล็กตีของมันซึ่งแลมาที่หล่อนเหมือนจะบอกความในอะไรบางอย่างแล้วด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงที่สุดล่อนเดินเข้าไปใกล้มาอีกครั้งช้างใหญ่ยื่นงวงมายันอกหลอน ดารินลูบที่ปลายงวงนั้นแล้วกอดงวงไว้ด้วนนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เธอมายืนขวางพวกเราอยู่อย่างนี้ทำไมมีอะไรเป็นภัยต่อเรารอคอยอยู่เบื้องหน้าหรือคชสารมหือมาที่มีสัญชาติญาณลึกลับอันเป็นมิรกับหล่อนพิเศษออกไปไม่อาจโต้ตอบได้คงมีแต่อาการอันนุ่มนวลอ่อนโยนของมันเท่านั้นที่ใช้ปลายงวงสูดดมเคล้าเคลียอยู่ที่ใบหน้าของหลอน แล้วก็ผลักสาเบาๆเชิงให้หลอนถอยหลังโดยตัวมันเองก็ออกก้าวเช่มช้าเดินตามมาด้วยสองสาก้าวอาการที่ทุกคนเห็นเช่นนั้นทําให้ต้องลดไรเฟิลลงจากท่าเตรียมยิงมันพิลึกแล้วล่ะครับพี่ใหญ่เท่าที่เห็นอยู่นี่มันยังรักน้อยยังเชื่องอยู่เหมือนเดิมแต่มันมีอาการเหมือนจะไล่น้อยและพวกเราทุกคนให้ถอยหลังเดี๋ยวผมจะลองอีกทีอนุชาพูดโดยเร็วและร้องสั่งไปทางหนานอิน ลุงอินลองแยกขึ้นเนินอ้อมทางหลีกมันไปซินานอินปฏิบัติตาคำสั่งของปราณชดทันทีตาแกจับอยู่ที่มันขมิงแต่แยกจากเส้นทางด่านอ้อมไตขึ้นเนินหินเพื่อจะเดินอ้อมหลีกทางเจ้าด้วนปลายหางตาเห็นทนเช่นนั้นก็ส่งเสียงแปลนขึ้นอีกพรอาออกจากดารินทันทีแล่นขึ้นเนินหินของเชิงเขาไปสกัดดักหน้านานอินไว้อีกใช้งวงควาก้อนหินเคือง ขนาดครกตามน้ำพริกขึ้นมาคว้างตูมไปดักหน้านานอินไว้หินเล็กกระจิ๋วเหลวสำหรับมันแต่ใหญ่พอสำหรับมนุษย์กระทบกับโขดหินใหญ่แตกกระจายห่างจากเบื้องหน้าของนานอินเพียงสาวาเท่านั้นแสดงเจตจํา น, นงแน่ชัดว่ามันจะไม่ยอมให้ใครในคณะผ่านเส้นทางนั้นอย่างเด็ดขาดและเอาจริงเอาจังทําเอากรูพรานชะงักตะลึงไปอีก แกรู้ว่ามันไม่เจตนาจะคว้างให้ถูกตัวแกแต่ใช้วิธีสกัดกั้นไว้ด้วยหินที่คว้างมาก้อนนั้นทั้งหมดจ้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแปลกใจเหลือที่จะกล่าวได้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสียแล้วล่ะนายไอ้ด้วนมันมาสกัดห้ามไม่ให้นานอินพาพวกเราไปตามจุดหมายที่ตั้งใจไว้ปากถ้ำนากราดมันก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองลงมารวมกันก่อนเถอะลุงอิน เทพถาป้ายเงือบนหน้าผากร้องบอกนานอินขึ้นไปเคร่งครึมพรานเท่าชั้นครูไต่กลับลงมาตามเดิมและบัดนี้ทุกคนก็ลงม า, มาเผชิญอยู่เบื้องหน้าของเจ้าด้วนอีกครั้งห่างกันแค่ไม่กี่ว่าเดยมีร่างกายอันให ญ, ญ่โตสูงชะเงือมยืนตระงานบางเส้นทางอยู่สหายด้วนถ้าเองพูดภาษาคนได้สักหน่อยเดียวเราก็จะทาความเข้าใจกันได้มากกว่านี้แต่นี่เองพูดภาษาช้าง คว้ข้าฟังไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจอาการของเองด้วยชายยันคลางออกมาเธอคิดยังไงกลางสเสนาที่การของคณะอันเป็นพี่ชายใหญ่หันไปกระซิบถามน้องชายผู้ยืนรีตาจ้องมันอยู่เหมือนจะอ่านอาการของมันจะไม่ยอมให้เราเดินหน้าต่อไปครับแต่จะเป็นเพราะอะไรก็เดายากเหลือเกินนายลูกอินบอกว่าปากถ้ำที่เราจะอาศัยเดินมุดเข้าไปอยู่ ใ, ใกล้ๆนี้เองไม่ใช่หรือ แคทธาถามไปทางนานอินแกชี้มือเข้าไปในป่าเถาวัลย์ที่เห็นอยู่เบื้องหลังเจ้าด้วนแต่ละเส้นของเถาวัลย์ที่ถักพันกันอยู่นั้นมีขนาดใหญ่แต่ละเส้นเท่าโคนขาม้วนถักพันกันราวกับใครมาบรรจงสาดไว้เป็นดงเถาวัลย์ทึบแต่ขนาดนี้เห็นแต่ลำต้นโกรนของมันปราศจากใบอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งของสถานที่แสดงว่าฝนไม่ได้ตกมาเป็นเวลานาน ข้าไปในดงเถาวัลย์นั้นอีกพักเดียวก็จะถึงปากถ้ำที่ซ่อนอยู่บางฤดูมันก็จะทึบเขียวชะอุ่มไปหมดบางฤดูมันก็แห้งกรนเหลือแต่ลำต้นอย่างที่เห็นอยู่นี่ทุกคนหยุดก่อนได้ไหมขอให้ฉันได้ทําความเข้าใจกับมันสักหน่อยเถอดดารินร้องบอกกับ พ, กพวกทั้งหมดเอาถ้าเธอคิดว่าเธอจะพูดกับมันได้รู้เรื่องชายยันพยักหน้าออกมาเพราะแน่ละ่ะในบรรดาบุคคลผู้ร่วมคณะบริกันทั้งหมด ใครเล่าที่สามารถจะย่างซึ้งในสัญชาติญาของเจ้าด้วนได้ดีเท่ากับดารินวราฤทธิ์ระหว่างที่ทุกคนยังรวมกลุ่มชะงักกันอยู่หญิงสาวเดินเข้าไปหามันอีกครั้งคราวนี้เจ้าด้วนยืนนิ่งงวงทอดตามสงบห้อยลงหลอนเข้าไปจนถึงตัวมันรูปที่งวงนั้นด้วนฉันรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเธอถึงได้มาปรากฏตัวขวางหน้าพวกเราอยู่เช่นนี้ ทำอะไรสักอย่างก็ได้ทำให้เรารู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าในทิศทางที่พวกเราจะไปหลอนกระซิบแผ่วเบามือลูบไล่อยู่ที่งวงศากนั้นด้วยน้ำมืออันปราณีรักสนิทเจ้าด้วนยังคงยืนซึมนิ่งอยู่อีกพักใหญ่ดารินพูดซ้ำซากอยู่เช่นนั้นปากหลอนพูดเป็นถ่อยคำแต่กระแสจิตก็พยายามจะส่งเข้าถึงจิตของมันให้ได้ขณะเดียวกันหลอนก็มองไปที่คอของมัน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 แต่ฉันก็ยังเชื่อมั่นเสมออาการของเธอประหลาดมากแต่ขอให้ฉันและพวกเราได้รู้กระจ่างหน่อยเถิดว่าทำไมเธอถึงได้มาขวางทางเราไว้แบบนี้เหมือนจะเข้าใจในภาษาที่หลอนพร่มพูดกับมันช้างใหญ่อันาฟินสั่งชาวป่าทุกคนไว้ไม่ให้ใครทำร้ายและบัดนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในคณะที่จะร่วมเป็นร่วมตายด้วยถึงขนาดที่บุกตามเข้ามาจนเขตนรกดา ค่อยๆหมุนตัวกลับด้วยอาการเชื่องช้าดูจะมีอาการซึ่งซึมอยู่ในทีแล้วออกเดินแช่มช้านําเข้าไปยังป่าเถาวันแห้งซึ่งเป็นเว้งหลังคาขนาดใหญ่เรากลับจะเป็นห้องประชุมนั้นทันทีดารินหันกลับมายังทุกคนเหมือนจะขอความเห็นตามมันไปแต่ให้ระวังตัวขีดสุดอนุชาวราริศโบกมือบอกกับทุกคนแผ่วต่ํา แล้วรั้งไหลน้องสาวเล็กเข้มาอยู่เบื้องหลังรวมกลุ่มกับเชษฐาและชัยยันตัวเขาเองและนานอินสองคนเป็นคู่หน้าที่ก้าวตามหลังเจ้าด้วนผ่านเข้าไปในคูหาอันสลับซับซ้อนของกิ่งเทาวันยักษ์เหล่านั้นมันบ่ายหน้าไปทางไหนนี่พอจะรู้ไหมเสียงเชษฐากระซิบถามขึ้นนันอินตอบแผ่วว่าปากถ้ำหน้าคราที่เราจะเข้าไปนั่นแหละนายขอให้ทุกคนช่วยกันสังเกต ร, ร, บรอบๆตามทางที่ผ่านด้วย ทั้งหมดประสาทตื่นพร้อมใจเริ่มเต้นแรงอย่างประหลาดนกของไรเฟิลทุกกระบอกบัดนี้ขึ้นสปริงพร้อมที่จะกระแทกแกป๊ปท้ายกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงได้ในทันทีที่เหนียวไกขยินนำพวกลูกหาค่อยๆย่องตามหลังมาพวกนั้นก็ปลดปืนประจำตัวจากไหลมาถือไว้เช่นกันทีละเก้าที่คณะทั้งหมดย่องตามหลังการนาของเจ้าดวนลึกเข้าไปเป็นลาดับ ในดงเถาวันแห้งขนาดมะฮืมานั้น่้มกลางแก่งโคดหินและพื้นอันเป็นดินลูกรังสีแดงฉานเรากับใครม า, าศาสสีย้อมไว้บรรยากาศเงียบกริบคงมีแต่เสียงฝีเท้าของคนทั้ง16คนที่ย่างไปอย่างแผ่วเบาเท่านั้นส่วนอาการเดินของเจ้าด้วนไม่มีเสียงใดๆเลยมันใช้งวงม้วนเข้ามาจากที่กระดึงกล่องไม้ไผ่ที่คล้องอยู่เพื่อไม่ให้เกิดเสียง อันแสดงถึงความฉลาดขีดสุดของมันชนิดที่จะเคลื่อนไหวไปโดยไม่เกิดเสียงใดๆก็สามารถทำได้ถ้าเป็นความต้องการของมันเองพอล่วงเข้าเขตป่าเถาวันแห้งขมวดพันประสานกันร่ากับครูหาห้องเล็กห้องน้อยและห้องโถงใหญ่อันเป็นฝีมือสถาปนิกทางธรรมชาตินั้นนานอินก็หยุดชะงักอีกครั้ง สกิจโดยแรงให้พรานชดมองไปยังฟงเถาแห้งแถบหนึ่งเห็นอยู่เบื้องหน้ายืงไปทางด้านตะวันตกทุกคนมองเป็นตาเดียวรอยไหมเกรียมเป็นทางกินแนวตลอดมาจากทิวของเถาไม้เรือยักษ์นั้นไกลลิบมาจากไหนไม่ทราบได้ราวกับว่ามีใครเอาท่อนซุงขนาดใหญ่ที่กำลังติดไฟโชนลากผ่านช้าๆมาตามเถาเกลือเหล่านั้นบางแห่งมีแต่รอยไหมกรอบเกรียม และบางแห่งก็แสดงว่าได้เกิดไฟลุกเป็นฐานแต่ถ้าว่าขณะนี้ดับมอดไปแล้วและพื้นเบื้องล่างอันเป็นดินปนหินก็มีริ้วรอยดำไหม้เป็นทางไปเช่นกันมันแสดงถึงความร้อนสูงจัดทีเดียวที่ผ่านเป็นทางตัดหน้าทุกคนไปอะไรกันนี่ใชา้ ย, ยัานอุทานออกมาอย่างตกใจอนุชายแยกเขี้ยวรีตาลง เทพธาจ้องคองมอย่างพินิษส่วนนานอินหน้าซีดเผื่อนดารินนั้นเพียงแต่มองอย่างแปลกใจเท่านั้นเอ๊ะไฟป่ากินแดนเข้ามาถึงดงถาวั น, นี่ด้วยหรือแต่ทำไมถึงเป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปอย่างนั้นระหว่างที่อดีตพรานชดเพ่งไปยังต้นทางที่มาซึ่งลึกเข้าไปในดงนั้นและกินแดนผ่านหน้าไปในระยะห่างราวสิบเมตรโดยเลี้ยวลัดตัดพงไปทางซีกซ้ายมือ นานอินก็ทำปากมุบบิบเหมือนจะร่ายอาคมอะไรข้องแก่แล้วหันมาพยักหน้าเรียกชา ย, ยาเทศถาผู้ยืนงงอยู่ด้านหลังให้เข้าไปใกล้กระซิบเบาที่สุดว่ารอยเลื้อยปลายของสางหาชัดเลยทุกคนมองที่รอยไม้เป็นทางเหล่านั้นแล้วหันมาดูหน้ากันเองระหว่างนั้นเจ้าด้วนผู้นำทางมาให้พบกับร่องรอยประหลาดนั้น หยุดหมุนตัวมีอาการเหมือนจะรีรออยู่ลุงแน่ใจหรือท่านหัวหน้าคณะพี่ชายใหญ่ถามในเสียงกระซิบเช่นเดียวกันรู้สึกร้อนๆหนาวๆขึ้นมาในทันทีไม่มีอะไรที่จะทำรอยอย่างนี้ได้หรอกนายใหญ่นานอินเคยพบเห็นมาก่อนแล้วสมัยก่อนนี้ก็เพียงแต่เห็นรอยอย่างนี้เท่านั้นอย่าว่าแต่เถาวันแห้งนี่เลยต่อให้พื้นหญ้าสดหรือป่าเขียวๆยังไม่เป็นทางไม่มีเหลือ ลุงแน่ใจหรือว่าเป็นสัตว์ชา ย, ยันถามมาบ้างแหบต่ำสีหน้าปัญญากที่สุด